มาผิดเวลาใช่ไหมนึกว่าจะมาถึงสี่โมงใช่ไหมแต่ที่นี่คงเป็นห้าโมงแล้วที่นี้มันไปเสียเวลาอยู่ที่ไหนไปเสียเวลาอยู่ที่ที่ไหนบ่าหรือตั้งมาแบบนั้นฮะตั้งมาแบบนี้อถ้าอย่างนั้นก็ผู้รับคําสั่งมาผิดตั้งมาแบบนี้ ได้ทราบข่าวว่าจะมาถึงสี่โมงเย็นแต่มันกลายเป็นห้าไปใช่แล้วเป็นหกกับตัวทดไปใช่แล้วที่ออกจากนี่จะพากันไปไหนทีนี่ออ ก, กับว่าบอทีนี้พวกคุณได้เรียนหนังสือทางโลกเก่งนะปริญญาโทมีกี่กี่องค์ปริญญาเอกมีกี่องค์อยู่นี่นะ ฮะชาพระพุทธศาสน า, าพระพุทธศาสนาเป็นยอดนักศึกษาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าวิชาในมนุษย์เนี่ย ว, ว่ามนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้ววิชาส ว, วารรค์สมบัติก็เต็มภูมิแล้ววิชาพรมสมบัติก็เต็มภูมิแล้ว วิชานิพพานสมบัติก็เต็มภูมิในทางพุทธศาสนาทรงส่งเสริมล่าปันธิโตครรมาวะสังบัณทิตเป็นผู้คลองเรือนบัณทิตในทางพระพุทธศาสนาบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนามาเอาพระสวสดาวันเป็นต้นไป พระโสดาบันมีศีลห้าบริบูรณ์เมื่อบินมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วก็ชื่อว่าได้ทั้งโล ก, กุตระทรัพย์ได้ทั้งโล ก, กิยทรัพย์เต็มภูมิของคารวาสแล้วบุคคลผู้มีศีลห้าบริบูรณ์มีทรัพย์อยู่ในตัวเรียกว่าอริยทรัพย์มีศรัทธาทรัพย์เป็นต้น เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อมีศีลห้ามีิีิความละอายตาา่อบาดมีโอตระประสริมครัวตาวา่อบาดมีพาหุสัจจะเป็นผู้ได้จําทรงธรรมชินป harma วิทยามากมีจาคะเป็นผู้สละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างมีปัญญาเล่าลู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ไม่เป็นประโยชน์ปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวด ไม่ว่าทางโลกทางธรรมปัญญาเปลียนหัวหน้าแต่คำสอนใดในไตรโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครเคยยืนยันเลยแต่เราเองยืนยันมานานแล้วว่าคำสอนใดเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพุทธศาสนาทั้งนั้นการปกครองด้วยวิธีใดก็ตามก็เป็นเมืองขึ้น คำสอนของพุทธศาสนาคำสอนของพุทธศาสนาเป็นวิชาปกครองโลกทมเป็นโลกประบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปคือหิริความละอายต่อบา ป, อ, า อ, าต อ, บาปอตัะปะสะุ่งกลัวต่อบาปทำสองประการนี้คุ้มครองโลกถ้าโลกมีทำสองประการนี้ โรค ก, ก็อยู่สบายถ้าโรคมันมีทำสองประการนี้แล้วกดหมายกดหมู่กดพักกดพวกจะมีขีดล่านุก็ตั้งมาอยู่เพราะไม่มีอู่ของทำนามคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอองอาศัยทาความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับที่นี่เมื่อล่วงละเมิดสองข้อข้างต้นแล้ว ก็มาล่วงละเมิดปาณาทิบัตอจินนากามเมมุสาสุราสินหานี่เองสินห้าเป็นเครื่องสงบโลกแล้วถ้าโลกมีสินห้าบริบูรณ์กฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากกฎหมายโลกก็ไม่ต้องตั้งมากกฎหมายในระหว่างประเทศก็ไม่ต้องตั้งมาก ก็คงจะได้ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรเท่านั้นเหลือดอกั้นก็ไม่ต้องได้ตั้งมากการปกครองถ้ามียางอายต่อบาบมีกลัวต่อบาบแล้วก็ไม่ได้ตั้งมากอีกเหมือนกันทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีเพราะมีความละอายต่อบาบแล้วใครจะไปล่วงละเมิดสินห้าก็ไม่มีเรือนจาก็ไม่ต้องทา สารใจสวนสารตัดฉินก็ไม่ต้องต้องมีเหตุฉะนั้นจึงว่าทำคําสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดทุกวันนี้ชาวโลกล่วงละเมิดศีลห้าทุกก็มีอยู่อยู่ยมทุกยอมญาติรับราคาฟันมานมาจากประตูใดก็มาจากประตูที่ล่วงละเมิดศีลห้านั่นเองนั่นไม่หนำ้ำซ้ำการค้าขายพระพุทธศาสนาก็บอกแล้ว ชาวโลกค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายข่าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบหรือของอบาศกมาให้ประกอบสมบัติของชาวโลกหรือสมบัติของอบาสกมีอยู่ห้าประการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธรมสนาส สองมีสีน้อยที่สุดคือสีห้าสามให้ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมองคลสี่ไม่แสวงหาเขตบนนอกพระพุทธศาสนาห้าบำเพ็ญบนแต่ในพระพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติทาประการซึ่งตรงกันข้ามแว่นจากสิบัติท่าประการทำเท่ไม่มีมากมีนิดเดียว ถ้าปฏิบัติก็ไม่มากมีนิดเดียวมันมา ก, ก็เพราะปริยัติบัญญัติไว้มากแต่อาจจะแท้ก็บัญญัติออกจากกายวาจาใจเรานี่เองกายยัจจุิตสาสี่กายยุจจุิตสามฆ่าสารลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเมื่อกี้จิิตสี่พูดเท็จพูดจอดเสียพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อ ถ้าหากว่าหลักศีลธรรมอันนี้ไม่มีเล้วยมันก็อดาาละมานอยู่ทุกยอมยานั่นเองนั่นจะเรียนถึงไหนกาตามเถิดถ้าเปิดเปิงศีลห้าแล้วไม่ละอายต่อบาปแล้วจะเรียนเกี่ยวพระไตรปิฎกก็ต า, ามพระพุทธศาสนาก็มีปดิญญาเหมือนกันยาตะปะดิญญา กำหนดรู้ด้วยการรู้ตีรณนะปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาปหาณปริญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียนั่นนั่นพระพุทธศาสนามีปริญญาเหมือนกันปริญญาเอกของพระพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันพระอรหันต์ปริญญาเอก พระโสดาบันปริญญาตรีพระสัคทาคามีอนาคามีปริญญาโทรพระโสดาบันไม่เช็ดอาอยากล่งวงละเมิดสิ้นห้าพระสอบปริญญาตรีได้แล้วเป็นต้นพมจันร์ของพุทธศาสน า, าสเป็นสุพฏิปนโนแล้วจะเป็นฆราวาสก็ตามก็เป็นสุปฏิปนโนอยู่ในตัว ตรงนับคำว่าปันทิตโตคละมาวะสังบัณทิตเป็นผู้บัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนแต่เราชอบอ่านตามตัวเรบัณทิตเพราะมันเป็นตัวทอนางมณโฑเราไม่เปลี่ยนหน้าบัณฑิตคําว่าบัณฑิตเป็นภาษามคตคําว่าบันทิตก็เป็นภาษาไทยแต่ภาษาไทยก็พูดภาษามคตแกมกันอยู่ปนกันอยู่บัณฑิตอาจิแทกับกบัณทิตกันเองตัวทอนางมณโฑ ปัิตานันจ่ะปัิตานันจ่ะคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนจีลังยั่งยืนไม่ได้เปลี่ยนพรบกันเหมือนชาวโลกพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็ตามกีด้านล่านพระองค์ก็ตามก็ทรงพระปัญญาอันเดียวกันสั่งสอนคำเดียวกัน ส่องสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองให้ละชั่วทำดีนั่นเองจงทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ศาสดาอื่นบัญญัติดีบัญญัติญญตชั่วต่างกันบัญญัติบาปบุญต่างกันจึงเป็นเหตุให้มีหลายเนี่กายแต่เพื่อให้ทำดีเหมือนกันแต่บัญญัติดีต่างกันบัญญัติชั่วต่างกัน บัญญัติบาปต่างกันบัญญัติบุญต่างกันผู้มีกิเตสมากก็บัญญัติเข้าข้างตัวผู้มีเลสน้อยก็บัญญัติเข้าข้างธรรมพระบรมศาสตราหรือศาสนาพุทธไม่มีกเลสจึงบัญญัติเข้าข้างธรรมเป็นธรม ร, รมมาธิปไตยคำสอนของพระพุธาาทธศาสนาเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่อัตตาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิปไตยน ah! ี่เรียกว่าธรรมาทีปตไตยเนี่ย อัตตาธิปไตยเข้าข้างตัวโลกาทิปไตยเข้าข้างบคุคคลเข้าข้างประชาชนเรียวกว่าประชาธิประชาธิทปตัตยกับโลกาทิปตัตยก็คงจะใกล้ๆ ก, กันนั่นเองพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะธิปไตยใครจะดีเด่นสักเพียงไหนก็ตามก็เอาทาเป็นแวนเป็นกระจกเงาเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตวงเป็นดิง่งเป็นระดับน้า ใครจะเรียนวิชาจบมาจากประเทศใดๆก็าตามชาวโลกจะทิ้งดิ่งไม่ได้วิชาก่อสร้างจะทิ้งดิ่งไม่ได้เดี๋ยเสาลงไปทางนั้นเสาลงไปทางนี้เอาดิ่งมาเทียบเซตเลยเขาไม่โอนเอียงไม่มีประชาชิไม่มีคอรับชั้กับใครเนี่ยระดับน้ำทีนี่ําทางนั้นตามทางนี้เอาระดับน้ํามา ไม่ได้เถียงกันเลยเครื่องวัดเครื่องตวงเขาเครื่องวัดเครื่องตวงที่ไม่ขี้โกงเครื่องวัดเครื่องตวงและดับน้ําดิ่งมันบริบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วไม่เข้าข้างใครเลยอ้ายกกระทหการถ้าเอาประชาธิปไตยหน้าเดียวถ้าว่าประชาชนที่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญมดโลกยจะเอาด้วยไหมหลวงปู่ไม่เอาด้วยเนอตายไปตายถ้าถือว่าไม่มีบาปมีบุญมดโลกหลวงปู่ก็ไม่เอาด้วย ประชาชนพาไปไรม่ไปเพราะมันฝืนกับธรรมมันฝืนกับธรรมะธิปไตยรบุตไม่เอานั่นเฉะนั้นจะทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ได้ใครจะดีเด่นแต่งกฎหมายสักเพียงไหนก็ตามถ้าทิ้งพระพุทธศาสนาไปได้ไปไม่รอดเนอถ้าทิ้งพระว ไ, ไนยธรรมวไนยของ พ, พุทธศาสนาล้วไปไม่รอดถ้าไม่เอาพระว ไ, ไนยของพระพุทธศาสนามาเป็นที่ตั้งแหงกฎหมายนะ ไปไม่รอดจะพูดจนน้ำไหลไฟดับสักเพียงใดก็ตามเถิดไปไม่รอดละกฎหมายที่ปีนเกลียวทางพระพุทธศาสนาไปไม่รอดเช่นกฎหมายที่เขาตั้งว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเขาไปรอดไหมต่อไม่รอดนั่นนั่นน น, น, นั่ข้างพุทธการตัดสินบางกรณีเอาคนมากเป็นประมาณเรียกว่าเยปุยยะเสกาความเอาตามของคนมากเป็นประมาณ เยผยัคิกาทางพระพุทธศาสศนามีขอบเขตเธอจะเรียนจบพระไตรปิฎกสักเพียงใดก็ตามถ้าความประพฤติของเธอไม่ดีมาให้มาออกเสียงนะั่นนะั่นนะั่นะั่นะถ้ามประพฤติของเธอดีจึงให้มาออกเสียงเธอจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็ตามความประพฤติไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงในสังคมนั้น นี่เรียกว่าพยเยพยัญชิกาเอาตามคำของคนมากของคนมากเป็นประมาณแต่พวกเรามึงไม่ร้องให้กูกูก็เจ้างมึงอีพ่ออีแม่เอ้ยนั่นมันก็ไม่ไปชาวไม่ใช่ ป, ชประชาธิปไตยประชาธิปัาเงินถูกไหมนั่นนั่นนัน่เหตุฉะนั้นก็อุนละมานกันยุ่ทุกดอมนะ่ะที่ว่าพระพุทธศาสนาไม่ให้เป็นการว่านการอะไรพระพุทธศาสนาไม่สอนว่าสอนเมืองจะไม่ให้สอนผีตัวไหนเอ๋อเอ๋อเอ๋เอนั่นนันนั่ น, น, น สำหรับคราวาสทํากับพระทํำยังไงด้วยกายธรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาข้อสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไมให้เข้าบ้านเรือนข้อห้าด้วยให้อเมทัศทานหน้าที่ของฆราวาสทีนี้หน้าที่ของพิสุสัมมณี น, งนึงห้ามกระทาความชั่ว สแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสให้ฟังสิ่งที่ฟังที่ยังไม่ได้เคยฟังสทําสิ่งสอนุเคราะห์ด้วยร่นางกอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่มหกบอกทางสวรรค์ให้นั่งนั่งนั่งนั่พระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นมีน้าซ้อย่างสอนอีกในพระไตรปิฎก วิยาวจกรสองจำพวกจำพวกหนึ่งทำตัวเป็นนายพระนายเนจำพวกนั้นจะไปนรกจำพวกหนึ่งทำตัวเป็นลูกศิษพระศิษเดีนจำพวกนั้นจะไปสวรรค์นั่นนั่นนั่นนันั่นนั่นมีในพระไตรปิฎกถ้าไม่เชื่อก็ไปตรวจดูสิถ้าหาว่าไปของไม่จริงเอาไ้ทำไมทำไมจึงปล่อยไม่เอาไปเผาไฟทิ้งซะนั่นนั่นนัน สเสวยนะัพ่อกระซับได้มาโดยทางที่ชอบแล้วเลี้ยงตัวมารดาบิดาบุ ด, ดภรรยาบ่าวไพรให้เป็นสุขสองเลี้ยงเพื่อนสูงให้เป็นสุขสามบำบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆสี่ทำสีห้าอย่างคือกอยาทิพีสงเคราะญาติขออธิทิพีต้อนรับแขกขอปุพภะเพจพีธรรมุนอุทิศให้ผู้ตายงอราชพีสวายเป็นหลวงมีเสียค่าอภอรเป็นก้นเป็นต้นเทวตาพีธรรมุนอุทิศให้เทวนา บริจากทานในสมณะพราหมณ์ผู้กับเพืชอบนะพราะพรุทธเจ้ า, าสอนมดเนี่ยสอนพวกคารวะส่วนพระมันผ่านมาแล้วเนนก็ผ่านมาแล้วอบาลยมุขทุกประเภทเนนผ่านมาพระเนนผ่านมาแล้วไม่มีอบาลยมุขทุกประเภทนักเลงหญิงนักเลงเชื้อรานักเลงเล่นการพผานครบคนชัว่วเป็นวิจฉาทิฏฐิทางานมีโทษเท่านั้นมีโทษเท่านี้ก็พระเนนของเราผ่านมาแล้วอันนี้สอนคารวาโต้งโต้พระพุทธเจ้าองคไหนก็มาสอนอันเดียวกัน คำสอนใดๆพกครองใดๆจะให้ดีเลิศประเสริฐเท่าคำสอนพุทธศาสนาไม่มีเลยนั่นไม่มีจึงทรงพระนามว่าศัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกและที่อื่นๆไม่ได้ปัญญาอย่างนั้น พราะตนไม่รู้เท่าอย่างนั้นถึงปติญญามันก็ประมาณถึงจะประกาศมันก็ประมาณเพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นศาสนาพุทธม่ได้เป็นอย่างนั้นชี้หานะทางนะทั น, นเตเตประกาศชีหานาต่อพุทธบริษัทบริวูณ์พระบรมาศาสนาเอา้าถ้าอย่างนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่เชื่อว่าอาบา ย, ยมุกเป็นของวินาศชี้หายหเธอทั้งหลาย ต้งไปล่วงละเมิดดูสิถ้าไปล่วงละเมิดดูก็ชิบหายจริงๆเหตุนั้นจึงไม่มีสิ่งที่คัดค้าดพระพุทธศาสนาได้จึงประกาศพระาศาสนาได้เผลง่เผลง่เผลง่ยนเผลี่เลยนเ่นเนั่ น, น, นอย่ า, าบัณฑิตบันทิดิตแท้คําสอนพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระคาสอนไม่ใช่โลกีคําสอน ผู้ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศิ้นห้ามันก็ไม่หนักใจทำไมมันจึงหลักใจเพราะมันเสียดายอยากล่วงละเมิดศิ้นห้าทำไมมันจึงอยากล่วงละเมิดศิ้นห้าเพราะมันไม่มีดวงตาเห็นธรรมมันเห็นว่าจะเป็นทางเจริญอยู่ก็เข้าใจว่าเห็นกลงจักว่าเป็นดอกบัวเอามือเอื้อมไปมือก็าขาดนะ เพราะไม่ได้ดวงตาเห็นทำผู้ <ร Library. S 2> ได้ดวงตาเห็นทำแล้วเขาเห็นทางผิดทางถูกแล้วธรรมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัรถนุญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้อันนั้นเป็นภูมิของประฉรายวันเขาก็เลือกเฟ้นเลือกเฟ้นสิ่งที่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเขาก็ไม่ทำเขาก็ไม่นัดใจด้วย ค่าค่ากับน้ำลายว่นทิ้งแล้วไม่หนักใจก็เอาคืนมาอีกค่าค่ า, ากับหลุมถานเพลิงเห็นว่ามันเป็นของอน่าลมันเสียดายอยากจะลงไปลุยเลยนักมันก็ไม่หนักใจสิผู้ที่หนักใจก็เพราะเห็นของชั่วว่าเป็นของดีนั่นเองเห็นกงจักรป่าเป็นดอกบัวนั่นเองเพราะไม่ชนานาญในเรื่องเหตุเหตุผลผลคดีดาคดีแดงในโรงในศาล มันจบกเกษียณเป็นถ้าเราทําดีหรือทําชั่วมันจบกเกษียณเป็นมันตามเราไปอยู่ทุกอิเดียบทของกิจนะักเหตุเทนั้นพระพุทธศาสนาจึงให้เชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อเหตุและผลของเหตุเชื่อพืชและผลของพืชเชื่อกรรมและผลของตํา เ, เหเชื่อเหตุและผลของเหตุเชื่อพืชและผลของพื ช, พชก็มีความหมายอันเดียวกันส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุพืชกรรมเป็นประมาณสร้างเหตุสร้างพืชสร้างกรรมลงแล้วไม่ประสงค์ก็ได้รับตามส่วนของข่าของเหตุและพืชและกรรมที่ตนทํจาจะปฏิเสธว่าได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่เป็นปัญหาใครเป็นเพื่สร้างเหตุให้เกิดขึ้นก็คือพระผู้เป็นเจ้านี่เองใครเป็นพระผู้เป็นเจ้ากรรมใดใครกอก็คือจิตใจของแต่ละท่านลคนนั่นเอง เป็นผู้ก่อขึ้นเหตุใจอันไดที่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยรู้ตัวเหตุใจอันไดที่ไม่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยไม่รู้ตัวมัดจิตมัดใจก็มัวเดินโค้งย่อมไกลจากเหตุและผลอันเป็นความรู้เฉพาะตนก็ย่อมได้วนอยู่สิ่นการนานแลเหตุใจอันไดที่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยรู้ตัว มัดจิตมัดใจก็ไม่มัวเดินโค้งย่อมไม่ไกลจากเหตุและผลอันเป็นความรู้เฉพาะตนก็ย่อมไม่ได้วนอยู่สิ้นการนานแลใครเป็นผู้มาแย่งทาให้ก็ใจอันเดียวท่านั้นสร้างเหตุให้เกิดขึ้นพระยาโยมก็ไม่ได้สร้างเทบุตรเทวดาก็ไม่ได้สร้างอริยะธรรมะที่โตนโรทำอันประเสริฐก็ดีหรือทําอันไม่ประเสริฐก็ดีท่านทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นเราตถาคตเป็นเพียงชี้อบอกเท่านั้น หิวนอนหรือง่วงนอนก็ต้องนอนเองหรือหิวนอนก็ต้องนอนเองกระหายน้าหรือหิวน้าก็ต้องดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองเรา ต, าตรข้ากตเป็นเพียงเชี่ยบอกเท่านั้นจะทำแทนพวกเธอไม่ได้สิ่งที่ดีที่ชั่วไม่ใช่เกิดมาจากดินฟ้าอากาศภานอกพวกเธอทั้งหลายสร้างขึ้นในมโนภาพของพวกเธอเอง กำได้ ใ, ใครก่อก็จิตทำบาปเองย่อมเศร้าออหมองมองเองไม่ทำบาปเองก็ไม่เศร้าออหมองเองจิตเตสังคีริทธิทุกขติปาทีิกลังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นหวังได้จิตเตอสังคีริทธิสุสุติปังอ่าทุกขติปังขาทุก ข, ขติกลังหาน่ะ เมื่อคิตเศร้าหมองทุกข์กิเป็นวางได้เมื่อคิตไม่เศร้าหมองก็สุขกะิเป็นวังได้ดไ ต, ไดตามเหตุผลที่น้อยแนามากทำท่าไรให้ผลไม่นีจจากเหตุเธอจะรู้ตัวหรือไม่เรือเธอตัวก็ตามเธอใครเป็นเธอจิตนั่นเองเป็นเธอเธอสร้างขึ้นดีเธอก็ได้รับผลดีเธอสร้างขึ้นชซุกชั่ว เ, เธอก็ได้รับผลชั่วจากทิ้งให้ตาหูจมูกลินตายมันไม่รับไม่ปัดเสียแล้วมันก็ไม่อุเบกขาเสียแล้วมันก็ไม่เฉยเสียแล้ว เพราะมันไม่รู้ตาเอ๋ยตาเอ๋ยครับมันก็ไม่ว่าพัฒนาเศษมันก็ไม่ว่าหูเอ๋ยหูเอ๋ยครับมันก็ไม่ว่าพัฒนาเศษก็ไม่ว่าจะบมืกลิ้นตายก็เหมือนกันทีนี้ใจใส่ชือ่อนามให้เขาแล้วเขาไม่รับไม่ปัดก็ตกลงเอาโขนสวมหัวตัวเองใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจนั่นเองทำย่นลงมาเป็นหนึ่งแล้วเป็นเอกนิบาตแล้วทีนี้ มูพูดมากก็มากออกไปจากใจพูดน้อยก็น้อยออกไปจากใจหานก็หานลงมาหาใจนั่นนั่นดีก็มารวมบวกอยู่ที่ใจชั่วก็มาบวกอยูที่ใจไม่ได้ไปบวกอยู่ดินฟ้าอากาศเธอจะบวกหรือไม่บวกก็ตามมันบวกเองมันนั่นนั่นนั่นจิตตังทันตังสุขาวาหังจิตที่ฝึกฝนแล้วนำศุกมาให้จิตที่ไม่ฝึกฝนก็ตรงงานข้ามจิตตัฏะตมโโสสาธุ ฝึกผลจิตนั่นแหละเป็นดนนีนอกจากจิตจิตก็ว่าใจก็ว่าวิญ ญ, ญาณก็ว่าส่วนใจนั้นแปลเป็นคําไทยแล้วส่วนวิญ ญ, ญาณนั้นเป็นคําภาษามาคตมนัตก็เป็นภาษามาคตมโนก็เป็นภาษามะคตจิตตังก็เป็นภาษามาคตส่วนแปลมาเป็นไทยก็ได้ความว่าใจเท่านั้นวิญ ญ, ญาณก็แปลว่าใจเหมือนกันนั่นนั่น ศีลมีตัวเดียวสมาธิตั้งมั่นมีตัวเดียวปัญญารอบรู้มีตัวเดียวศีลก็ตับศินลงที่ใจละชั้วทำดีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ใจปัญญารอบรู้ที่ใจตกลงศีลสมาธิปัญญามีตัวเดียวอยู่ที่ใจเลยศีลห้าถ้ามาล่วงละเมิดทั้งห้าข้อก็มาเป็นศีลตัวเดียวเป็นเชื่ยวข้าเกลียวอยู่ที่ใจนั่นเองศีลแปดถ้ามาล่วงละเมิดก็มาเป็นศีลตัวเดียวอยู่ที่ใจ เป็นเชือกแปดเกลียวศีลสองรอยบเจ็ดก็เป็นศีลสองรอยี่สิเ็ดเป็นเชือกยี่สองรอยสิบเจ็เกลียวมารวมอยู่ที่ใจเหตุฉะนั้นจึงว่าไตรสิขารวมลงที่ใจอธิกิตตสิขาสิขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิขาสิขาคือปัญญายิ่งอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอธิจิตตสิขาสิกขาคือจิตยิ่ง อธ่ปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่มันรวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวไม่ไปรวมที่อื่นนั่นนั่นโอปัญญายิ่โกเขาน้อมเข้ามาใส่ใจโอปัญยิใจยอมเข้ามาใส่ใจ <c oughs> ใครเป็นผู้พูดมากก็ใจเป็นผู้พูดมากใครจะเป็นผู้หารลงก็ใจเป็นผู้หารลงโมหารก็หารลงมาหาใจเราจะนับสี่ล้านสี่เท่าใดก็ตาม ก็น <at> ับออกไปจากรักหน่วยถ้าย่นก็ย่นลงมาหาดัรักหน่วยคือใจนั่นสัพพทุกย่นลงมาเป็นเอกทุกในปัจจุบันสัพพสุกย่นลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันสัพพสังขารย่นลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบันมิมุตย่นลงมาหาเอกมิมุตในปัจจุบันนิพพานก็ย่นลงมาเป็นเอกนิพพานในปัจจุบันเหมือนกันนั่นนั่นนิพพานแปลว่าหายเพลินแล้วหายเพลินในความหลงของตนแล้วข้ามทะเลหลงของตนไปแล้วเรียกว่าพระนิพพาน เนี่ยครับมีมุดคือลดพ้นจากความหลงของตนไปแล้วข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงโลกมีสุกไหมไม่มีสุขของครหัสมีสี่อย่างสุกเกิดแต่ความมีทรัพย์ซุกเกิดแต่ายทรัพย์บริโภคสุกเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสิน สุขเกิดแต่ทํางานที่ปาฏิจารโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่แต่ อ, น, อ น, นิจจ์อนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแล้วแตกสลายถ้าว่าสุขมีอยู่ในโลกนี้พระอรหันต์ก็ข้ามความหลงของตนไปไม่ได้เพราะจะมาติดสุขใดสุขหนึ่งเข้ามาเล่นงาอยู่นั่นใดในโกรกล้วนอ น, นิจจังได้ในโกรกล้วนทุกขังได้ในโกรกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทำชั้นสูงของพระพุทธศาสนาเลย พระพุทธศาสนาะสอนให้รีบทำสอนให้รีบทำมนุษย์สมบัติให้บริบูรณ์แล้วจะได้ปฏิบัติสะดวกเป็นสวรรค์สมบัติแล้วจะได้เจริญทานเป็นพรสมบัติแล้วจะได้พ้นาจากชิเลตเป็นนิพพานสมบัตินั่นพระพุทธศาสนาะสอนอย่างนั้นสอนให้ด่วนไฟไหม้หัวเธอทั้งหลายอยู่เธอจะดับวันพรุ่งนี้ไม่สมควร น, นะต้องรีบดับในวันนี้ เชวจิตจะมาตะปังควรทำความเพียรในวันนี้ทีดีพระบรมศาสนาสอนสอนเข้ามาสอนเมืองต้นก่อนสอนกว้างบ้าตามฐานานรูปตามนิสัยของผู้สร้างบารมีมาถ้าผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วก่อนเพียงเดียวเลยไม่ลำบากถ้ายังอ่อนอยู่ยังเริ่มสร้างบารมีก็ต้องสอนมาก ทำคำสอนพระพุทธศาสนา45พันศาก็สอนคนนั่นบ้างสอนคนนี้บ้างแล้วมารวมกันไว้กว่า45พานศาเรียกว่าแปดหมืนสี่พัชชะมขันธ์อาจจะแค่แปดหมืสี่พัชชะมขันธ์ก็ย่นลงมาเป็นเอกานิบาตอันเดียวเท่านั้นเอกสินเอกสมาธิเอกปัญญาก็หวังเพื่อให้พ้นทุกข์ในวัฏสงศารเท่านั้นไม่ได้หวังว่าเพื่อจะให้เป็นเปรต ขวมนุ์สมบัติสวรรค์สมบัติชมสมบัตินิพพะอูหวังเพื่อให้พ้นจากวัตาสงสารทางปวงข้ามทะเลหลงซักมันหลงอยู่ห้าประการมันหลงอยู่สี่ประการหนึ่งหลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นของเที่ยงสองหลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นของสุขสามหนังหุ้มอยู่โดยรอบหลงว่าเป็นของตัวตนสี่หนัง ที่หุมอยู่ยรอบๆถือว่เป็นของสวยของงามถ้าข้ามทะเลหลงสามอันนี้แล้วเสร็จก็ไม่มีปัญหามันมีปัญหามากก็เพราะมันมีกิเลสมากปัญหาก็มากสิถ้ากิเลสไม่มากปัญหาก็ไมมากความหลงก็มากปัญหามากมีกิเลสมากถ้ารู้ว่าตามจริงปฏิบัติตามจริงวดทนตามจริงนะ้ปัญหาก็ไม่มี นัดหาความสุขในโลกสู้พระงหันไม่ได้หาหมดไม่เจอไม่เจ อ, ไ ม, เจอไม่ปะไม่พบเจอแต่แก่แต่เก็บแต่ตายเกิดขึ้นแล้วแพร่พวแล้วแตกสลา ย, ยาสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์ โอกาลโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทโวโลกได้แก่จะกามาพจระกชั้นพรมโลกได้แก่รูปพสิบหกชั้นและรูปพรสี่ชัน้นโลกทั้งหลายย่อนลองมาในสังขารโลกแล้วสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งรูปกายนามกายเป็นทุกอย่างอย่างยิ่งธาตุฉีดินน้ำไฟ อารมเป็นทุกอย่างยิ่งก็ถูกหรือความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกอย่างยิ่งก็ถูกนั่นนั่นทีนี้เมื่อหาสุขไม่เห็นในโลกเลยที่นี่ไม่เห็นเสียแล้วสุขสุขในทางพระพุทธศาสนามีอยู่สี่ประเภทสุขถึงพระโสดาบันสุขถึงสักทาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าโลคตระศุขนั่นสุขก้าวหน้าอันนี้ไม่ได้สุขถอยหลัง ไม่ใช่สุขอิงอามิตรอันนี้สุกอิงเอกขมัอันนี้สุก อ, อ, อิงอามิตรพออาเมตรถ่ายไปก็เสียดายนั่นเมื่อไม่สมปสงค์ก็เสียดายเองนั่นนั่นไม่ใช่สุขสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นสุขอิงอามิตรไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเลยก็ว่าได้พร ะ, ษษษะ พ, ะพุทธศาสนาปฏิเสธแล้วทำอันชั้นสูงแต่ทำอันชั้นต่ำก็สุขของกระหัตว่าอะไรว่าพอหลอกไปแต่ว่าไปติดสุขเพียงสุข อิงอาเมะก็เหมือนแมลงวันติดไห่ลำพึ่งนั่นเองติดทั้งปีทั้งขาเลยทําไมจึงมีผู้ถือพระพุทธศาสนาน้อยนักเพราะเหตุว่าทําไมจึงมีแมลงผู้น้อยกว่าแมลงวันมากแมลงผู้แมลงพึ่งทําไมมีน้อยนักแมลงวันทําไมหึ่งมากแท้ มันก็กรรมของใครของมัน ม, ม, devant, mm. มันก็ว่ามันถูกแมลงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันก็บอกว่าสังคมนิยมของมันมันก็บอกว่าของทิพย์ของมันเหมือนกันแมลงผู้แมลงผึ้งมันก็บอกว่าของทิพย์ของมันเหมือนกันนั่นมันก็มีอภิเญหานเหมือนกันคนเรามีอภิญหานทุกท่านทำดีก็ไปมีอภิญหานไปทางดี รับตาก็มีอภินิหารทางมืดลืมตาก็มีอภินิหารทางเหตุเหตุเจ้าผลไมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุรับผลก็มืดไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุลืมตาผลก็เห็นเออข้าพเจ้าลืมตามาแล้วมืดจางหายไปสักไม่ได้บอกมันไปเลยนั่นข้าพเจ้ารับตามาแล้วมืดจงมาเถิดเราก็ไม่ได้บอกไม่มีอันใรก่อนในหลังนั่นนั่นน่นนั่นความโง่มีเท่าใดฉลาดก็ต้องมีเท่านั้นก็ต้องแก้กัน เมื่อความฉลาดเต็มภูมิแนละ้วความโง่ทั้งหลายก็แตกก็เจิงนั่นะไม่ต้องเรียงแบบว่าอวิชชาตันหาอุปทานกรรมภพชาติชราดมาแล้วนะอะไรอไรไม่ต้องเรียงดอกสายโทษที่มันคล้องอยู่คอของเราเนี่ยมันขาดที่ไหนมันกรปดไปได้ไม่ต้องเรียงมันนะพูดทั้งต่ำทั้งสูงอา้าวใครเรียนนะโมโจบ ก็พระรหัรเรียนน้โมโจบใช่ไหมหน้โมแปลว่านอบน้อมพระรหัรนอบน้อมจนไม่มีกิเลสใช่ไหมไม่มาเกิดมาเกอมาเก็บ ม, มาตายอพระโสดาบันนอบน้อมเห็นหนทางเดินเห็นความปฏิปทาเดินมีเส้นห้าบริบูรณ์พระโสดาบันเห็นหนทางเดินพระโสดาบันเรียนห น, น้โมวบื้งต้นพระารหาัรเรียนน้โมโจบแล้วใช่ไหมหน้โมแปลว่านอบน้อมควานมนอบน้อมมันมีสูงต่ำลุ่มนอนกว่ากัน พรสวัสดิบาลนอบน้อมแบบหนึ่งสักทาคามีนอบน้อมแบบหนึ่งอนาคามีนอบน้อมแบบหนึ่งละอหญ่ขึ้นไปกว่านั้นพระทหารนอบน้อมเตรียมภูมิแล้วไมีกิเลสพระทหารก็ยังมีสีจําพวกอีกสัมมาสัมพุทธะจาพวกหนึ่งวจตกรรพุทธะจําพวกหนึ่งสาวกสาวิกาจําพวกพุทธะจาพวกหนึ่งนโมพระพุทธมาเสุ็จเจ้าเป็นนโมที่ยิ่งกว่าเพื่อนนอบน้อมถ้งตนเป็นศาสตราเอกในโลกเขารบธรรมะ พระเจดก็น้อมเพื่อทำของพระพระเจดพระสาวอภรณ์อรหันต์ก็นอ้นอมขนาดนั้นพระสาวิกาก็นอน้อมของท่านนมโมเบ้องต้นคือนมโมของพระโสดาวันนมโมพวกโลกีสิพวกมิจฉาทิฐินมโมเลขนมโมผานมโมวัดนมโมเบอร์นั่น พุโทโธก็เหมือนกันพุทโธเล็พุโทพธโธผาพุโทโธวัดพุโทโธเบพุทโธเบื้องต้นของพระสวัสดิวันไม่หลงทางไม่เสียดายอย่างร่้แล้วว่าจีน้าธรมโมสังโฆก็เหมือนกันนักไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นขอแสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์เรียนนะโมโจบแล้วพระอรหันต์เรียนเก้าประโยคน์จบแล้วมัคคีผลสี่นิพพานเองอ้าวระ โซดาวันก็เรียนประโยคสามถ้าเทียบนี่ก็พระคาถาคามีนาคาเรียนประโยชน์เรียนประโยคนหหรือเจ็ดหรือแปดพระรหัสเรียนประโยค9เก้าสอบได้แล้วนั่ข้ามทะเลหลงชนะก็ชนะอยู่ที่นี่ชนะทางโลกไม่มีชนะก็ชนะเกียรติของตนชนะอันอื่นไม่มีในทางพระพุทธศาสนาชนะโลก ด้วยความไม่รบชนะโกรธด้วยความไม่โกรธชนะหลงด้วยความไม่หลง่ายชนะโรบโกรธหลงด้วยเครื่องบินจะไปเท่าใดก็ขาฉีกตายไม่ชนะชนะก็ชนะกันอยู่ที่นี่ชนะภายนอกที่พวกเรารบราคคันกันอยู่นี่มันไม่ใช่ชนะนั่นอันนั้นมันเป็นเวนสนองเวนไพสนองไพไม่ใช่ชนะเลยเวนสนองเวนไพสนองไพตูทีมึงที เหมือนกลางวันกับกลางคืนชนะกันส่วนพระพุทธศาสนาชนะแล้วทำไมมาแพ้อีกพระพุทธศาสนาพระโสดาวันอุปมาเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นพระจัตตาคามีอนาคตมืขาเมืนกันส่วนพระทหารเป็นพระจันทร์ในวันเพลินแล้วแต่ไม่กลับมาแรมอีกนัดนัดนัด เรายังไม่มียาว่าพนทุกข์ในวัตาะสงสารยังไม่มียาว่าโรคปวดหลงของเรายังไม่หายเราจะสําคัญว่าเราฉลาดจากเพียงใดก็ตามอันนั้นก็เป็นเหตุให้เรานอนใจในวัตฏะสงสารเราความโง่อย่างเต็มภูมิความเห็นชี้นี้นั่นเป็นเทพึ่งของเราได้ลแล้วล อ, อย่างไม่ต้องไม่บาปไม่ต้องไม่บุญ ความเห็นชีนิดนั้นเป็นที่โอกลุ่นของใจของเราได้แล้วหรือยังมันก็ไม่เป็นที่โอกลุ่นนั่นเพราะเห็นได้เพราะเราสร้างวาลามีแก่ก้ามาแล้วใครจะมาโกหกพุกลมมันก็ไม่ได้พูดถึงพระสสดาบันแล้วเขาลวงไม่ได้ถ้าไม่ทั้งถึงพระสสดาบันเขาก็ลวงเดี๋ยวเขาลวงว่าลัทินั่นดีลัทธินี่ดีก็ไปกับเขาไปไปมามาไปไ ป, ไปมามานั่น เขาว่ารัติที่นั่นดีเขาว่ารัตที่นี่นดีก็ไปกับเขาเนะ่ะเพราะไม่มีสันทิษ ท, ทิโอกอยู่เฉพาะตนไม่เป็นโลกุตระสันทิษ ท, ทิโกเห็นเองอไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัจจตังรู้เฉพาะตนคนเฉพาะใจเห็นแอบในเฉพาะใจเป็นบรรลังก็วันไหวเขาหลอกไปทางไหนก็ไปได้ถ้าถึงพระสสดาบาลแล้วไม่มีใครหลอกไปทางใดเลยหลอกไปไหนก็ไม่ไปพูดคําเดียวรู้แล้ว ด้วยทางหรือไม่ใช่ทางเขารู้แล้วเรื่องใสพระพุทธศาสนาขณะจิตเดียวยังดีกว่าเรื่องใสอันอื่นร้านๆขณะจิตยินดีเพื่อคนทุกนายวตาสงสารขณะจิตเดียวยังยินดียังดีกว่าความยินดีในไตโลกธาตุล้านๆขณะจิตเลยนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ผู้ฟังและผู้พูด ตกทะเลเกิดทะเลเก่ทะเลเก็บทะเลตายทะเลโลคทะเลโกดทะเลหลงอยู่แล้วยังสาคัญตนหน้าเป็นผู้สมควรอยู่ท่านผู้เป็นคนโง่พระหันท่านข้ามไปหมดแล้วข้ามทะเลหลงไปหมดแล้วพระบารมีท่านแก่กล้ามา ท่านไม่ได้นอนให้บาลมีแก่ก็ท่านก็สร้างขึ้นทับถมอยู่บ่อยๆบุญบวกบุญอยู่ที่ใจบาปบวกบาปอยู่ที่ใจมักผลนิพพานก็บวกมักผลนิพพานอยู่ที่ใจไม่ได้บวกไม่ที่อื่นทำบุญวันเกิดวันเกิดก็ไม่ได้เอากระคือใจเป็นผ <sky> <us ik> ู้เอาทำบาปวันเกิดวันเกิดก็ไม่ได้เอาคือใจเป็นผู้เอาเป็นใจเป็นผู้รู้ทำบุญก็ฉลองใจทำบาปก็ฉลองใจเพราะใจเป็นผู้หัวหน้าธรรมนักนักนักนัก แต่พิเสษให้ใครไม่ได้นรกสวรรค์ก็ไม่ใช่ว่าพญาโยมเป็นผู้สร้างไม่ใช่ว่าเทวบุตรเทวดาเป็นผู้สร้างสัตว์ทั้งหลายนั่นเองสร้างเอาของใครของมันนั่นเรามีอิสระที่จะสร้างดีได้เรามีอิสระที่จะทําชั่วได้เหมือนกันแต่ว่าคนอื่นทําให้ไม่ถูกแต่ว่าผู้ตายไปแล้วหรือทธรรอุทิศให้กันมันมีในทางพุทธศาสนาเรียกว่าปุพเพเตปีธรรอุทิศแต้กัน ก็ค้ายๆกับเราฝากของไปให้กันนี่เองเราฝากของไปให้กันก็ฝากของไปกับกิโกกิกเกะเอาไปกินซะเพราะเราไม่ลงทะเบียนเพราะเราไม่ไปฝากในทางราชการในทางการฉันใดก็ดีเราฝากของไปในทางพุทธศาสนาก็ฝากไปกับพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมมเณรดีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม่ของบริสุทธิ์เราก็ได้มาทางบริสุทธิ์แล้วก็ผู้รับก็เป็นผู้เป็นเปรตพวกสัมภเวสีคอยรับมันก็ได้รับอะไแต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ทํากันเพื่อรักษามรรยาทก็ถือศาสนาพุทธเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามก็ทกํากันตามประเพณีของชาวพุทธเพราะชาวพุทธมีมรรยาท ด, ดีตายแล้วก็ทําบุญหากันเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตาม เราก็ไม่เสียไงเหมือนฝนตกโปงไปใครจะเอาหรือไม่เอาก็ตามถึงฤดูฝนตกมันก็ตกถ้าเราไม่สงสัยพระพุทธศาสนาก า, ารปฏิบัติศาสน า, ศาก็ไม่ลําบากถ้าเราสงสัยปัญหาของเราก็มากถ้าเราเชื่อว่าคําสอนใ ด, ดในแต่โลกธาตุไม่เหนือคําสอนพระพุทธศาสน า, ศ า, ศาดอกอย่างนี้เราปฏิบัติน้อยก็เป็นของเราเราปฏิบัติมากก็เป็นของเราเราก็ไม่สงสัยอีกด้วยไม่นักใจอีกด้วย ไม่ถอยศรัท ธ, ธาอีกด้วยที่เราถอยศรัท ธ, ธาอยู่ก็เข้าใจว่ารัที่อื่นจะดีกว่าพระพุทธศาสนาเราก็ถอยขี้นั่นนั่นนั่นนั่นพระพุทธศาสนาเขายืนยันว่าวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังเมื่อมันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังแล้วเราก็ไม่ควรนอนใจ ก็หาอุรมณ์คติพระ涅ปหาที่มาเกิดไม่มาเกิดมาแก่มาแ ก, มา ก, มา ก, มาก่มาตายที่เราอยู่นี่ไม่ใช่ที่อื่นที่พวกเราท่องเที่ยอวอมานั่นเองเคยได้มาแก่มาเก่ม า, เกมาตายอยู่ในวัดตาทสงศารนี่อโกรแล้วไม่ชี่ไม่ใช่ที่ใหม่นะ วันที่เราอยู่เดียดนี้ก็ไม่ใช่วันใหม่วันเก่าของเราที่เคยผ่านมานั่นเองวเวลาที่เราพูดอยู่เดียดนี้ก็ไม่ใช่เวลาใหม่เวลาเก่าของเร า, เเราที่เคยพูดกันมาเคยฟังกันมาหูก็ไม่ได้หูใหม่มาจากไหนนี่นั่นใจก็ไม่ได้ใจใหม่มาจากไหนเสียใจจริงเกเสียใจใจริงๆพวกเราเคยพูดกันแต่ว่าถ้าพิจารณาให้จริงแล้วไม่รู้ว่าใจของเราเสียไปไหนมันไม่เสียไปเออเสียใจจก่งเก่งเสียใจจริงเก่งพวกเรามักพูดกันบ่อยๆแม้ตัวของ หลวงปู่ก็พูดเหมือนกันถ้าพิยาจริงๆ ud, แล้วไม่รู้ว่าได้ใจมาจากไหนมันไม่รู้ว่ามันเสียไปจากไหนมันก็มีอยู่นี่พูดพู ด, พดบ้าๆบวบว่ า, why, า while, เสียใจว่าอย่างไรถ้าว่าเสียใจก็เอาใจพูดอยู่เนี่ยมันเสียไปไหนอันนี้ก็ควรพิจิตร์เหมือนกันดีใจมากนะคําว่าดีใจก็ไม่รู้ว่าเอาใจมาจากไหนมันก็เใจดวงเก่านะั่นนั่น น, นถ้าได้ให ม, ม่มามันก็เป็นสถานหนึ่งนะั่นดีใจมากนะ ก็ได้ใจมาจากไหนก็ใจดวงเก่านั่นเองอันนี้ก็น่าพิจารณาเหมือนกันอ่ะมันเป็นภาวนาอยู่ในตัวมันเป็นปัญญาอยู่ในตัวเพื่อสอนตัวอันนี้หลวงปู่ก็เคยเอามาพิจารณาเหมือนกันคําว่าเสียใจไม่รู้ว่าเสียมันใจมันเสียไปไหนคําว่าดีใจก็ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนใจก็ใจดวงเก่านั่นเองของเก่ากับของใหม่อันไหนมันดีก็ของเก่านั่นเองมันดีเอสัทโมทนันทุพระธรรมเป็นของเก่าศีนสมานที่ปัญญาก็เป็นของเก่าผู้ไม่ปฏิบัติก็เป็นของเก่า ผู้เป็นพระรหัน์ก็เป็นของเก่าผู้เป็นพุทธชนคนหนาก็เป็นของเก่าผู้ดื่มสุรามีอะไรก็เป็นของเก่าผู้ไม่ดื่มก็ของเก่านั่นเองนั่นน่ะ ทำไมปัญหาของเราจึงมีมากโรคกวดหลงทของเรามีมากปัญหาก็มีมากสิถ้าเราเห็นอะไดในไตโรโลกธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมีแต่เกิดขึ้นแล้วแปลว่าในแตกสลายหวังจะพึ่งอันไหนก็ไม่ได้เสียแล้วหวังพึ่งสกุนักกายวาจาจใจก็ไม่ได้เสียแล้วหวังพึ่งกายก็ไม่ได้หวังพึ่งวาจาก็ไม่ได้หวังพึ่งอะไรก็ไม่ได้มีแต่จะแตกจะสลายไปถ้าเราเห็นชัดทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ทีนี้ความยินดีในโลกทางปวงของเราก็น้อยลง ก็เพก็ดับเพลินลงเมื่อเรารับเพลินลงแล้วมันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวเป็นนิโรธทำให้แก้งอยู่ในตัวนั่นเองไม่ต้องเรียงแบบไม่ต้องไปหาพักหาเสียงเหมือนผู้แทนนัตเิโรเกและหัวหน้าความรับไม่มีในโลกเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเราก็รู้จักอยู่เราไม่เลื่อมใสเราก็รู้จักอยู่ เรายินดีขนาดไหนเราก็รู้จักอยู่เราไม่ยินดีขนาดไหนเราก็รู้จักอยู่เราได้เคยทำบาป <t> ทำกรรมอะไรมา <t> เราก็รู้จักอยู่เราไม่ได้เคยทำอะไรเราก็รู้จักอยู่เหตุฉะนั้นจึงว่าความรับไม่มีในโลกนะโลกหัวใจเรานี่นั่นนั่นคดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันจบกระเสียนเป็นเขายกโทษให้ ส่วนเราทำดีความดีอันนั้นก็ไม่จบเกษียณตามเราไปเราทำชั่วความชั่วอันนั้นก็ไม่จบเกษียณตามเราไปจนถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานนั่นนั่นเหตุฉะนั้นจึงยอมเคารพพระพุทธศาสนาพระพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็มาสอนอันเดียวกันไม่มีการตัดออกอะไเพิ่มเข้าไม่รบล้างพรบกันเหมือนพวกเราพวกเราเลี้ยวก็แต่งกฎหมายกันอยู่ไม่ได้เอาไปรอดะ ไม่จะเอาเงินมาที่ไหนมาชนะชนงแต่งกันอยู่นี่อืมเดี๋ยวอันนั้นยังไม่ถูกอันนั้นยังไม่ถูกอืมอันนี้ยังไม่ถูกทําไมจึงไม่ทําให้ถูกก็ทําให้ถูกขาวนเรื่องกันอันนั้นยังไม่ดีอันนี้ยังไม่ดีพวกเราพระพุทธศาสนาะอันนั้นยังไม่ดีเพิ่มเข้าอีกเถิอดอันนั้นตึงเกินไปเอาถอดออกไม่มีในทางพุทธศาสนาะพระพุทธเจ้าทุกทุ ก, ท ก, อ, กองค์ก็ลงมาลงเอยกันนั่นนั่นทำเป็นโรคบาลคู่ครองโรคสองอย่าง ไม่ใช่ไม่ใช่ยังมีอยู่อีกไม่ได้มาคัดค้องกันนั่นเสีลงาเป็นศสีลของพระสวัสดาบันไม่ใช่ไม่ใช่สียงสิบสีลสองรอยสิบจ็ดยึงเป็นไม่ได้มาคัดค้านกันนั่นถูกแล้วไม่ได้ตั้งพักทั้งพวกกันเหมือนพวกเท่าโลกของพวกเราถ้าไม่ถูกใครก็มีอิสระที่จะคัดค้านได้ถ้าใครถูกก็มีหน้าที่อนุโมทนาได้มีสองพักเท่านั้นพัฒมาธิปไตย ม่นี้มีหลายพักถ้าถูกก็มีหน้าที่อนุโมทนาได้ถ้าผิดก็มีหน้าที่จะคัดค้านได้เท่านั้นแต่คัดค้านผู้ใหญ่ต้องเคารพไม่ได้เพลงเลยถ้าถูกก็ต้องมีสิทธิอั่อจรรย์อนุโมทนาได้มีสองพักเท่านั้น ถ้ไม่มียังอายต่อบาบไม่มีความกลัวต่อบาบเลยมันปกครองมันไม่อยู่ในใครเกาใครเถิดจกครองมันโป้งเป้งโ ป, ป้งมันก็ไม่อยู่มึงโป้งกูลูกห ล, กลานกูก็เป้งมึงอีกเวียนสนองนเวีนไทยสนองไทยกันอยู่นั่นทุกยอมหญาติมันเห็นแล้วเห็นเสร็จตะทีเลยพวกที่ขายเครื่องประหารขาเขาเจริญไหมพวกไหนขายเครื่องประหารนั่นเอาไปเอามาเขาเอามาค่าเจ้าของนั่นนั่น ค่าขายเครื่องหารไม่มีไม่มีในทางพุทธศาสนาไม่ท่งส่งเสริมเลยการค้าขายเครื่องประหารมันไม่ถูกการให้ทานเครื่องประหารก็ไม่ถูกเหมือนกันสิ่งที่ไม่ควรให้ทานก็มีอยู่หลายอย่างให้ทานเครื่องประหารให้ทานมนุษย์ก็ไม่ถูกในทางพุทธศาสนาให้ทานสัตว์เป็นอะไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวฆ่าก็ไม่ถูก พระพุทศาสนาไม่ได้ส่งเสริมให้ฆ่าสัตว์นี่แต่ชาวโรกไปฆ่ากันเมื่อฆ่าแล้วก็กินเฉยๆสิ่งไหนที่เขาฆ่าว่าได้ยินทราบว่าเขาฆ่าให้พระอย่าไปกินท่านพูดอย่างนั้นถ้าเขาฆ่ากันทําธรรมดาเขาไม่ได้ว่าจะมาให้พระก็จะฉันก็ได้อยู่ท่านพูดอย่างนั้นและบวชมาก็ไม่ได้หวังว่าจะมาฉันเนื้อฉันผักก็ไม่หวังว่าจะมาฉันอะไรต่ออะไร ไปบินท้าวก็ไปเฉยๆไม่ได้หวังว่าจะไปบินเอาเนื้อไม่ได้หวังว่าจะบินเอาบักเอาผักเขาเอาอะไรใส่ให้ที่แม้ทัดข้องต่อพระมเหในทํารรมมเหนก็เอามันจะตั้งกฎว่าอย่างนั้นอันนี้พูดมาถึงนี่ก็พูดไปอันนี้เฉยๆดอกพูดว่าบ้าบอวไปพูดมากปากหลายหลายก็หลายออกมาจากใจมากก็มากออกมาจากใจหาญก็หาลงที่ใจ ไม่ต้องสงสัยคำสอนพระพุทธศาสนาะในไต้โลกท่ามันเป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาะหมดคำสอนใดในไ ต, โต้โรกท่าเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาะหมดเหตุนั้นพระโมกขลาสารีบุตรจึงหนีจากสนชัยนาตบุตรมาเข้าเลื่อมสายพระพุทธศาสนาะจึงสำเร็จพระโสดาบันนั่นนั่นถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่หาบละนั่นัน่น ทิ้งศาสนาอื่นมาทิ่งลทัทธิอื่นมาพราะศาสนาพุทธสอนดีมากไม่เข้าข้างใครเลยเข้าข้างธรรมหน้าเดียวเหตุฉะนั้นพระองค์จริงเคารพธรรมถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราตถาคตก็ไม่เคารพธรรมถ้ามาธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราตถาคตก็ไม่สามารถรู้ธรรม ทำมียู่ก่อนตถาคตจึงสามารถรู้ธรรมเหตุนั้นตถาคตจึงเขารลบธรรมไม่สําคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมใดๆเลย น, นพระบรมศาตร า, ศ า, ศานบธรรมจํานงด้วยกิจและกายวายกายจ้อันนี้ก็ยัง ก, ก็ยังไม่ถูกกับเกศลพบูอยู่เพราะคนอยู่ข้างบนธรรมะอยู่ข้างล่างมันยังไม่มีที่ไหวถ้าลพ บ, บูทําแล้วลพปูบบ่จะไมาไม่เอามาไวน้นี่จะไปไว้ที่อื่น ทำคำสอนของพุทธศาสนาทั้งนั้นนะโมตัวหนึ่งก็เป็นคำสอนเหมือนกันนะทีนี่ท่านจะปลาลุกอะไรว่าปะาลุกคนเดียวน่าเบือ่อหมดเวลาแล้วหรือยังฮะเพราะแล้วหรือยังทีนี่ออกจากนี้จะไปไหนเ อ, อางี้ เี่นี่พวกคุณลาชิกขาออกไปหรือจะได้ลาหรือใครจะได้ลาชิกขาออกไปมีกี่คนอยู่นี่ลาชิกขาหมดพวกคุณเป็นหัวจักเขาทางคารวาสพวกคุณลาชิกขาไปแล้วพวกคุณอยากไปดื่มสุรามรไรให้มีชิ้นห้าบอร์ลีบูลจึงสมฐานะผู้บวชมาถ้าบวชมาแล้วออกไปก็ไปดื่มสุรามราีไร ก็ไปบาไปบา้าโรงบาโลโรงบา้าใส่ไม่โทรซะแค่ะไปเป็นชิ๊กโกชิ๊กเกยกับเขามันก็ไม่ถูกเพราะคุณต้องเป็นหัวจักเขาถ้าอย่างนั้นเออบวชออกมาแล้วเคยดื่มเหล้าก็ดื่มอยู่เคยไปเล่นบาเล่นโบก็ไปไปไปอยู่ก็ไม่เห็นแปลกอะไรเขาประมาณได้เพราะคุณอย่าไปดื่มสุลาเพราะคุณอย่าไปเล่นอบายยมุก อย่าไปร่วมประเวณีอันไม่ดีกาเมสุมิชชาจารอะไรต่ออะไรต้องรักษาตัวให้ดีรักษาตัวก็คือรักษาใจผู้ใดไม่รักษาตัวรักษาใจผู้นั้นประมาณตัวประมาณใจใจของผู้นั้นเป็นใจที่ไม่มีค่าตัวของผู้นั้นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่ไม่มีค่า ต้องให้สมเกียรติที่บวชมาในทางพุทธศาสนาเพื่อจักจันโลงพุทธศาสนาไปอีกเพราะคุณมองดูสิว่ารัฐที่อื่นๆนั่นเขาเป็นที่สบายไหมเขาบรบลาฟ้าค่วควันกันอยู่ทุกยอมยาาประเทศเทาไไทยเรานะ่ะมันอยู่สนุกสุขสบายสมควรแนวถึงมีก็น้อยเพราะพุทธศาสนาให้มีทานมีศีลมีภาวนานนเป็นประเทศ ที่ดีเด่นกว่าโรคเขาอยู่แล้วประเทศของเราเพราะเป็นประเทศศาสนาพุทธรักษาตระกูลศาสนาของเราไว้อย่าให้เขาดูถูกอย่าไปคบกับโรคเอิดโรคอาดอะไรโรคน้องในน้องนอกอะไรผีมะม่วงมะเมี่ยงอะไรสารพัดให้อยู่สมตน วิดาบรรดาทุ่มเทเงินทองให้ไปศึกษาเพื่อหวังพึ่งในยามเก่ท่านเรียงมาแล้ว ก, ก็ต้องเรียงท่านต่อาาก็ต้องทำจิตธุระของท่านก็ดลำลำลงวงตะกูลมาพึตัวนี้เป็นคนควรรับทรัพย์ บ, บ่ระดกบางคนตนเป็นเอกเกล็กเกณเกกมาเลยท่านไม่มอบทุนให้ ก็ถือว่าท่านไม่ดีแต่เราประพฤติตนเป็นคนควรรับทราบมรดกท่านก็แม่มบให้ถึงท่านจะมอบให้หรือไม่มอบให้ก็ตามขาสองแขนสองหัวหนึ่งท่านก็ให้แล้วนี่พระบมรมศาสตราเกิดมาในพบใดชาติใดไม่เคยทิ้งวิดาม น, นานเลยพิชรทังหลายจงเอาเป็นเรื่องอย่างเถิดท่านพูดนะครับ เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดละท้อใจด้วยพระชนกชนีมีพระเดชได้ปกเกตเกษามาจนใหญ่อุ้มอุทธรน้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดัวถ้าเราดีมีกิจอุปธรมรมก็สนลำเลิศเท่ากับภูเขาหลวงจะปรากฏรถยดยิ่งสิ่งทั้งพวงจนกว่าจะล่วงลุถึงซึ่งพระนรุปาพระบรมศาสนาชาต เป็นคนหาบฝืนขายก็มาในทิ้งวินามารดาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปให้งูเห่าถ้าไม่ได้มันก็เห่าฟอฟคือภรรยาส่วนหนึ่งเอาไปสใส่ทะเลหลวงคือใส่ปากมันไม่เต็มง่ายส่วนหนึ่งเอาไปฝังไว้ในขุมทรัพย์คือเอาไปบริจาคทานส่วนหนึ่งเอาไปใช้นี่คือให้มารดาวิดา หาฟื้นวันหนึ่งจะได้จะได้กี่บาทก็ต้องแบ่งไว้เป็นสี่ส่วนไม่เคยทิ้งวิรามนาเลยชาติเป็นนกก็ไม่ทิ้งวิรามนาเคยไปหาชาติเป็นนกแขกก็ไปหาข้าวที่ของชาวนาที่ร่วงหลนมาให้พ่อให้แม่กินชาติเป็นโคเป็นกระบือไปพบญ้าที่ไหนก็ไปกินวนเวียนอยู่วิรามนาไปถึงก็ให้กิน ชาติเป็นลิงก็ไปหาผลไม้มาให้มานดาวลาไม่ได้เคยทึ้งวิดามานาเลยตลอดถึงชาติเป็นพระรหันก็ไม่ได้เคยทึ้งวิดามนดานาผู้่อใดทึ้งวิดามนดานาไม่เคารพผูนั้นอกตันยูจะเป็นพระก็ไม่เจริญจะเป็นฆราวาสก็ไม่เจริญจะเป็นพ่อค้าก็ไม่เจริญเอ็ดท่านท่านยังบอกว่า มาตาปตุอุปัฏฐานะอุปัฏฐ า, า, านเวลามารดเอตมังขะระมุตตมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เราเป็นมงคลอนอารมณ์ดีสวัสดีพีใหม่แต่ใกล้จะตายกว่าพีการเดี๋ยวนี้ใกล้จะตายกว่าตอนเช่าแล้วเนอ้อเพราะเมื่อเช้าเนี่ยยังงุ่มกว่านี่ อันนี้ใกล้เข้าใกล้เข้าวันคืนล่วงไปไหวยแทนาชีวาเราก็เข้าใกล้ไว้ม่วยรีบช่วยตนเองและช่วยทําดีสักความดีก็อยู่ที่ใจของเราความชั่วก็อยู่ที่ใจของเราเรามีอิสระเหมือนกันเรามีอภินิหารเหมือนกัน เราทำชั่วก็มีอาวธชี้ให้หารทางชั่วเราทำดีก็มีอาธให้หารทางดีนกก็มีปารีหารเหมือนกันบินได้ได้นกอะคำของใครของมันไปตามเรื่องของใครของมันเราไม่สงสัยคำสอนพระพุทธศาสนาเลย เราชนะเกิดจะชนะร้วยวิธีไหนพระไม่ยินดีในเกิดชาติเปรุุขาชาติเปรุุขาความเกิดเป็นทุกข์มัดเดียวถูกทั้งไตโลกะท่าเลยตูมเดียวถูกทั้งไตโลกะทาธเลยชราเปรุกขาความแก่เป็นทุกข์หรือพยาธิเปรุุขาถูกมัดโลกตูมเลย ไมน่นํำพิทักษ์ขังก็ถูกหมดผู้ฟังหรือไม่ฟังก็ตามถูกหมดกับปั้นตีดีหนึ่งถูกทั้งอเมริกาถูกทั้งรัสเซียด้วยถูกทั้งไต้ลูกกระทาด้วยเพราะเป็นธาตุดินที่ไหนมีธาตุดินมันก็ถูกหมดเนี่ยนั่นอันเดียวกันใครจะฟังหรือไม่ฟังไม่เป็นปัญหานั่น เราจะมาหาความสุขในโลกมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่พบมันไม่ปะมันไม่เห็นผู้สร้างบาลามีแก่กล้ามาแล้วเหตุฉะนั้นจึงยินดีในพรนะานาที่ไม่มาเกิดแก่เก็บตายเพราะทำไมจึงยินดีเพราะสร้างบาลามีแก่กล้ามาแล้วมาไหนข่าไรพบแล้วไก่แก่ตัวหนึ่งเวลาคุยเียหาอาหาร ไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากพูดไปเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาคงเจ็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิมนี่เจ้าไ้มีประโยชน์อะไรแก่เราสู้แต่ข้าสุกข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเขี่ยไปในแปลงอื่นๆนทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้ล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ฉันใดก็ดีเมื่อพรพุมาพระพุทธศาสนาเนี่ยชูรัตินั่นรัตินี่ของเราไม่ได้แล้วก็ไปแปลงในแปลงอื่นๆไม่เท่ารัติของเรามาเกิดมาพรพระพุทธศาสนาเราไม่เท่ารัติของเราแล้ว่าเนี่ก็ทิ้งซะไปในแปลงอื่นๆไปในรัทติอื่นๆในความเห็นอื่นๆนั่นอันเดียวกันล่ะ ของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช่ถ้าไม่รู้จักใช่วความหาประโยชน์ไม่ได้เหตุ He t. ฉะนั้นรัฐที่อื่นๆจึงเอาคำสอนพระพุทธศาสนาไปนไปนเปศาสนาของตนเหมือนกากับกรกยูเอาขนกาเอาขนนกยูงไปซ่อมแซมของโกมเพื่อจะให้ประเสริฐเหมือนนกยูงไอ้ที่แท้ตัวของมันก็รอกากาคากากากากาบอกอูนั่น นี่ก็เหมือนกันรัฐที่อื่ น, นมาเอารัฐเอารัฐที่ช่อศุทธศนนาไปเป็นรัฐที่ของตนก็มีนั่นนั่นไม่พูดอีกก็จริงอีกเราเห็นมากอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ก็เป็นเรื่องเราจะรู้นั่น พระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งเยืนอยูเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยเพราะพุทธศาสนาพิารุณเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนวันวุ้ยสุดชีวิตะกูลพุทธใครรานใครลุกเา้าชาวพุทธคนก็กรรมอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานแลพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วไสกฎหมายใดๆก็ตั้งมาอยู่อุ้งเขาให้นําคนหนึงกนหนึที่พึ่งพิงเองอาศัยพวก ชาวไตรโลกาอยาได้ประมาทพระพุทธศาสนาเถินวุ่นทำลายขึ้นฟ้ามดไตรโลกธาตุจะมาเหยียบย่ำทำลายพระพุทธศาสนามันก็เหยียบไม่ได้เหมือนกองทับน้ำลายวุ่นขึ้นฟ้ามันตกสน้าเจ้าของผลกรรมมันมีอยู่นั่นน่นนั่นนั่ น, น, นทีนี้เอาหนังสือแจกให้ ไ, ไป พูดน้อยพออธิบายพูดหลาย ก, ก็โง่หูเบือ่อซ้ำถูกไหมหนังสือเราไม่ประมาทการอ่านหนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่สงสัยพระพุทธศาสนาเราอ่านหนังสือที่ครูบาอาจารย์แต่งเราไม่สงสัยพระพุทธศาสนาเราเป็นเพียงทราบว่าท่านจะ มีโวหารแตกฉานในธรรมะขนาดไหนเท่านั้นเฉยๆแต่ไม่สงสัยพระพุทธศาสนาเลยเราและไม่สงสัยปฏิบัติปฏิปทาของตนเลยมนต์พิธีเอาไปแจ ก, กพระมนต์พิธีเอาหนังสือมาแจ ก, กมูเพื่อนให้ครบชุดเลยเออครบชุด เราอ่านหนังสือครูบาอาจารย์แต่งเราไม่สงสัยว่าท่านแต่ฉานในธรรมะขนาดไหนเท่านั้นเฉยๆแต่เราไม่สงสัยไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยคมภีร์ของพระพุทธศาสนาเราก็ไม่สงสัยคำภีร์นี้ท่านอธิบายแคบขนาดไหนท่านอธิบายกว้างขนาดไหนเท่านั้นแต่ไม่สงสัยในคําสอนเลยแม้จะเทศบทเดียวก็ไม่สงสัยแม้จะเทศมากจนน้าไหลไฟดับก็ไม่สงสัย เดียศาสนาอยู่ที่ใจใจมีกิียสมากเขาคําตัวมากถ้าใจไม่มีกิเลสแท้เลยก็เป็นศาสนาลว้วนๆภาวนาไปเนอะภาวนาพุทโธพุทโธเนอะภาวนาพุทโธธรรมโมก็อยู่ที่นั่นสังโฆก็อยู่ที่นั่นเนอเพราะเป็นอักษยรย่อเราภาวนาพุทโธธรมโมสังโฆก็อยู่ที่นั่น เหมือนเราว่าเคยเห็นหน้ากันอยู่ว่ า, น, า น, น, น, นั้น เ, เ, เ, เคยเห็นหน้ากันอยู่แต่ว่าเห็นตาเห็นจมูกแขนแก้มเหมือนกันแต่เราเราพูดอักษรย่อเคยเห็นหน้ากันอยู่ฉันไหนก็ดีเราว่าพุทธโธธรรมโอสังโฆก็อยู่ที่นั่นคุณวิดาบันดาปูญาตาทวดคุณแปดหมื่นทีพระธรรมขันธ์ก็โอนขึ้นสู่พุทโธธรรมโอสังโฆทางนั้นทำทั้งหลายในพุทธศาสนาะโอนถึงกันได้หมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านละคนภาวนาไป ยาลดมันไม่มากในไตโลกธาตุจะโก้เก๋สักเพียงไหนก็ตามเราคนเดียวเราถวายพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วทรัพย์สมบัติในไตโลกธาตุมีเท่าไใดก็ตามตลอดถึงสังหารี่าทรัพย์อสังหารีมาทรัพย์เราทูลถวายบูชาพระพุทธธรรมประสงค์แล้วใครไม่บูชาก็ตามเราบูชาคนเดียวเราทั่วไตโลกธาตุ รักเอาของเขาบูชามันจะไม่บาปหรือไม่บาปเพราะของเขาก็ยังอยู่เขาถวายไม่เป็นเราก็ถวายหมดในเตยโรกธาตุถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดแล้วคิดว่าเป็นเมืองขึ้นนึกว่าเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาวันลเราก็ถวายคนเดียวชะคนละกายของเราก็เหมือนกันเราจะอุทิศให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติเราสมมุติอย่างนี้ โดยไม่เหลือแล้วเราจะถวายทุนถวายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเยี่ยวรถหยับย่ำทนนําลายคลายนมกแต่ อ, อยู่ทุกเมือ่อไม่มีประมาณแต่ท่านไม่ได้วดนนําลายใส่ดอกแต่ว่าความพอใจของเราเราพูดอย่างนั้นเพราะเราถวายด้วยความพอใจของเราใจโลกธานเราถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดแล้วใครจะไม่ถวายก็ตามเราถวายหมดแล้วเราไม่เป็นบาปหลือไม่เป็นบาปเพราะเป็นแปลรักของเขาอ่ะ ถวายคุณค่าถวายบูชาแต่ว่าท่านไม่เอาก็ตามไม่เอาก็ถวายถวายแดดถวายลมถวายเงาท่านถ้านไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าเราถวายด้วยความเคารพของเราแม้ถ้ก้นละกายจะได้คิดใจของเราก็ถวายหมดแล้วพุทธะสหัสสมิธาสุวันเราพูดทำไมนั่นถ้าเราถวายส้กลกายของเราได้เราก็ถวายั้ไตโลกราท่าได้เหมือนกันเน่ะนั่นน่นน่น ถ้เราไม่ไปลักเอาของเขาแล้วก็ถวายได้นักของเขาก็อยู่ตามของเขาเขาอยากใช่เขาเขาใช้อยู่นะเราไม่เนี่เนียกว่าเป็นสมบัติของเราหมูนี่หมูนี่ไม่ใช่เขาทําบูชากิเลสของเราเขาทําบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ใช่เราไม่เนึกว่าเป็นสมบัติของเราจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเราเนื่อว่าเป็นสมบัติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นขี้เทอของท่านเป็นน้าลายของท่านเราพูดอย่างนี้ไม่ใช่เขาทําถวายกิเลสเรา ก็าทำบูชาพระนิพพานต่างหากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เร า, าก็นึกอย่างนั้นมันก็หมดเรื่องเราก็ไม่เดือดร้อนร <c oughs> <c oughs> าศีขาไปแ ล, แล้วแล้วดื่มเหล้ากันแนละ้วโก้โเกนะียไม่ถูกละไม่ต้องดื่มเหล้ากันนะอานิสงส์สินท้าผู้ล่วงละเมิดปานาธิบาตเกิดมาในชาติภพใดมีอายุสัน้นตายไปพยายม เฉือขาดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดจนจบห้าร้อยชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์มีอายุน้อยเกิดมาเป็นสัตว์ก็มีอาสัตว์อายุน้อยต้องตายด้วยเขาฆ่ า, าผู้ล่วงละเมิดกาเมสวินทาชาชาร์ชาจรตายไปแล้วก็ไปตกนรกร้อยแสนปีพญายมเอาเมีด อภร้าเล็กแดงเฉือนเฉือนโยณีด้วยเฉือนองค์ชาตด้วยเฉือนตามนี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่ที่นั้นเป็นโอปภปาติกะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่ที่นั่นขอร้องขอเอ้ยขอขอเถิดอย่าทําเกินไปนะักเออข้าก็อยากไม่ไม่ทําเธอพวกเธอเธอคไปหรอกแต่กรรมของข้ามีข้าไม่ได้ทําอย่างนี้แต่ข้ายินดีเขาทําข้าจึงได้มาคุมพวกเธอทั้งหลายอยู่ กรรมของข้าบางังเกิดขึ้นอย่างนี้ข้าไม่จะตั้งแย้งจะทำพวกเธอข้าก็ไม่อยากมาดอกพ่อพญายงทีนี้วิ่งไปวิ่งไปไปขึ้นต้นชิมพรีที่ชาวภาคอสารต้นยิว้วเวราขึ้นไปน้าน้าก็ช่องลงมาทางใต้ ปีนขึ้นร0อยปียังไม่ถึงปลายพอไปถึงกลางกาศเหล็กศพทองมาสับอีกรอกทวนทางอยู่ขึ้นไปถึงยอดร้อยปียังถึงลงมาอีกก็ร0อยปียังมาถึงนี่ร้องเสียงในนรกไม่มีเสียงเลาะไม่มีเสียงหัวเลาะมีแต่เสียงร้องเสียงคลางมีแต่เสียงขอยอม มีแต่เสียงร้องมีแต่เสียงอ่อนโยนเสียงร้องขออ่อนโยนอยู่ในมนุษย์จะไม่ประมาทหรอกขอเถิดขอเถิดขอให้จะไปมนมนุษย์อีกเชก่อนเถิดเออไม่ได้กรรมของเธอเธอสร้างไว้ ก็มันบางเกิดเองเราก็ไม่ได้ทําให้บางเกิดขึ้นกรรมของพวกเธอสร้างไว้บังเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นต้อนรับเธอสิพวกเธอสิเรามันก็เกิดต้อนรับเหมือนกันเราก็ไม่ยินดีจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เรา ย, ยินดีในผู้ที่เขาทําแต่เรามาได้ยงมือลงมือทําเราก็มาเป็นนายนิยาบาลคุมพวกเธอทั้งหลายอยู่นี่แหละที่นี่ไปเป็นเป็ดอยู่อักโขหลายหลายพันปีออกจากเป็ดแล้เ ป, เป็นสัตว์ที่ฉนันถึงเป็นโคเป็นกระบือเป็นว่า ก็ถูกเขาไล่ชนไล่แย่งกันในกามเขาเหยียบตายสารภาพถ้าเป็นโคก็เขาก็เหยียบตายสาราพตายมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนี้ก็เป็นคนกระเทย <c oughs> อยู่ตั้งห้ารอยชาติติดติดกั น, น, นพวกมุสาแค่นี้ตายไปพระยายเอาตัดริ่อ ตัดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่ที่นั่นเองเธอโกหกเธอพกกลมเอาเลื่นเอามาเอานําเหล็กเอาน้ําทองแดงก่อกปากเลยมาเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นเป็ดแล้วก็ออกจากนั้นมาเป็นเป็ดอีกเป็นเป็ดเลื่นขาดออกจากนั้นมาก็เป็นสัตว์ที่ไร้สารทรมารออกจากสัตว์ที่ไร้สาก็เป็นมนุษย์ี เป็นมนุษไปพูดที่ไหนเขาก็ไม่เชื่อทีนี่มีแต่คนมาต้มมาตุนพวกกามเมีสุวิชชาจารย์ก็เหมือนกันก็มีเขาไม่ล่ะเขาเขามายําเกรงเลยมีลูกมีหลานมีอะไรเขาเอาไปข่มขืนวดัดมีเมียเขาก็มารอบเอามีเมียมีผัวเขามารอบเอามผัวไปเขาลวงละเมิดในกามเมีสุวิชชาจารย์พระชาติก่อนเราได้สร้างอย่างนั้นพวกดื่มสุราทีนี่ ตายไปพยาลมเกาะล่ามทางแดงกอกปากพร่างโงโงตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่ทั้งช่นนั้นร้อยแสนปีออกจากนั้นมาก็มาเป็นเป็ดอีกเหมือนกันร้อยแสนปีออกจากเป็ดมาก็มาเป็นสัตว์ที่ฉานอีกเป็นสัตว์ที่ฉันบ้าบ้าใ บ, าบาเสียจริตเป็นโคบา้าเป็นหมาบ้า ถ้าเป็นตัวบุ้งตัวหนอนก็เป็นว่าออกจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนว่าใบเสียจดิตเพ็ดมนุษย์อีกงั่นที่เรียกกันว่าโรคประสาทบ้าที่เรียกว่าโรคจิตบ้างที่เรียกว่าโรคจิตนะสําคัญว่าแต่ว่าว่าจนหนักไปกว่านั้นก็มีนะกรําและผลของกรรมมันมีอย่างนั้นถ้าไม่มีอย่างนั้นเราก็ไม่กลัว เพียงชาติเดียวเราเห็นแล้วนี่อาอยุสิบห้าปีเราไปยิงนกเขาเนไงถูกที่นี่แหละเอาก้องเป่าไปยิงปุ๊บอย่างนี้ก็ถูกไงิบห้าปีมันอยู่ในปา่าแล้วลวะเราคานเข้าไปคานเข้าไปคานเข้าไปมันก็จับอยู่ประมาณสามเมตรมันจับอยู่ประมาณประมาณห้าเมตรพวกของเราประมาณสองเมตรลูกก้องเป่ายิงไปถูกนี่แหละ ตกก็แ๊กก็แก๊กก็แก๊กลงมาแล้วก็ถอดลูกก้อกาออกมันก็ก็ก็ ก, ก, ก็ขนาดนีนะ้แล้วก็หยุดได้ตายเลยมึงเถอะมึงเถอะ ม, มันจะว่าอยนะ่างนั้นแต่พอมาถึงสองพันห้ารอยสามสิบมันก็ระเบิดขึ้นนี่เกือบไปโรงพยาบาลไม่ทันโรคหัวใจยังอยู่ทุกวันนี้ยังไม่หายนั่นนั่นผลของต่ําตำมาเราเชื่อจริงจรงตอนนี้เราเชื่อจริงจริงเราได้เอา เชือกไปผูกเอวไปเชือกไปผูกเอวกบเหี่ยวไปตายที่ไหนก็เปกินที่นั้นเดี๋ยวนี้เราก็ได้ใส่ชข็มขัดหัว ง, งูอยู่นั่นนี่นี่นี่นี่เชือกผูกเอวกบอ่ะนี่นี่เราเชื่อจริงจริงนี่ใส่ชข็มขัดหัว ง, งูกันไว้เนยไอ้กันโรคสาเลือดลงงัดเพื่อเราสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดนี่นี่ด้านนี้ เราก็ได้ไปใส่เว็ดที่นี่ปลาไหลมันกินแล้วไก่ตัวหนึ่งก็มากินธรรมดาปลาไหลกินเม็ดกินลงในท่อได้แหวกเอาเลยได้แวกเอาเลยตายคากันกินเว็ดไม่กินลงในท่อมันได้แวกออกมาถึงจนันทร์ส่วนไก่ใช่ไหมอายุห้าปีอายุห้าปี ไก่ส่วมันขึ้นมาบนบ้านไก่เจ้าของนั่นเองขึ้นมาที่บนชาแนะชานเรือนแล้วก็ก็เข้านี่มาติดเว็ดนะติดเบ็ดเบ็ดคันทิ้งไงไก่ก็กินไก่ของเรานั่นเองออกมาคาอยู่ที่ก็เกาะที่นี่เขามันที่นี่มันดาก็าบอกเออเขาเข้าไปนาหมดแล้วลูกเอ๋ยจะทํำยังไงมันดาก็ตัดเชือกตัดเชือกเพราเขาคอยู่ ไม่รู้ว่าจีวันมันจึงตายพออยู่กับหลงผูกมันมีเบ็ดฉันอาหารลงไปฉันอาหารลงไปสองพันสีรอยแปดสิบเก้าฉันอาหารลงไปฉันอาหารลงไปคําที่จะตอนที่จะอีมันเองเห็นเป็นคั้วดำํำๆดึงขึ้นมาเอ๊ขั่วพริกหรือเนี่ยขั่วของมันคั่วพริกหรือ เราดึงขึ้นมาเราเนึกในใจเห็นเบ็ดเบอร์สิบหกถ้าเราได้เอาลงนี่มันก็เซ็ตเลยแล้วก็นึกเห็นไก่ตอนนั้นเออไก่ตอนนั้นแต่เราไม่พูดละอายเพื่อนละอายหมูเพื่อนแต่พอมาถึงที่นี้มาถึงที่สองพันห้าร้อยสองพันห้ารอยทุ่นมาอยู่นี่เห็นแปดครั้งหมูเพื่อนไม่มีในบาทของหมูเพื่อนไม่มีมีแต่ของเรา บางวันเห็นไหมกระคาเนี่นะเกือบจะเอาลงแล้วทําท่าขู่พระเนนอะพระเนนพวกนี้มันจะเบื่อให้เราตายเอาของมาขวางคอเราเนี่ยไม่ใช่กับผมก็หาอยู่กับผมก็ทําละเอียดละออยู่ไม่เห็นไม่มีแตข่ของผู้อื่นไม่มีมีแต่ของเราเกือบเกือบเอาลงคาวที่สองปีสามปีเห็นครั้งหนึ่งสองปีสาปีเนี่ยคือ ข้างสุดท้ายใช่ไหข้างสุดท้ายตะแคงเหล็กใชมันมาจากโรงสีเขาเชี่ยวแล้วนี่ปักที่นี่เลยนข้างหนึ่งมาจากขนมปอนขนมปอนอันห ว, วานๆมาจากจีนเลยเนี่ยเที่ยวเราไปถูกไงก็เวนเวีนไก่ตอนนั้นนั่นเราเชื่อแล้วเกินผลของเวนีนของกำ น, นั่น แปดข้างเข้าข้างน่าแต่ไม่ทันได้ลงคอแต่ของท่านผู้อื่นไม่ไม่มีแต่ของเราเราก็ทำท่าดุหมู่เพื่อนแต่อายแท้เราก็รู้จักบุพกรรมของเราอยู่ที่นี่เราเคยไปจุดป่าที่เนี่ยเป็นเด็กเราเคยไปจุดป่าแล้วก็ดักนกสมัยรัชกาลที่หกเราบวชมาพอเราถึงห้วยทรายไฟไม้กุฏิของเรามดเหลือแต่ผ้าคาตัวเราก็นึกเห็น เห็นกรรมที่ไปคดป่านี่เองนั่นนั่นนั่นนั่นผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้นั่นไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดเชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้นั่นเชื่อพระพุทธศาสนาเราดีๆนี่เองนั่นผูพูดเพื่อให้ลูกหลานเชื่อกรรมและผลของกรรมความเชื่อไม่ทาเชื่อเลยดีกว่า ท่านบอกแล้วพรบรมศาสดากระทำทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันจะมาไม่ตามท่านเรามันตามทั้งนั้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันน่อันนี้โทษที่ใส่เบ็ดอันนี้ก็ตามมาอันนี้เหมือนกันเนเอาเบ็ดไก่เนี่ยก็ตามมานี่เหมือนกันปลาไหลก็ตามมาเนี่เหมือนกันท่ไป ตรวจโรงพยาบาลเขาเอาสายสายายางยัดลงมานี่ยลงมาเท่านี้เท่าไหร่แลกแล้วก็เด็กเห็นเห็นเวนไก่ตัวนั้น เ, เวนไก่ตัวนั้นกับปาลาไหลอันเดียวกันทีนี้เราก็เป็นนักสายเวทเหมือนกัน ที่เวลาเราป่วยก็บรรดาได้ใส่ออกซิเจนใส่จมูกก็นีอย่อันเดียวกระปลาถูกเบ็ดอเดีวกระดาษนี่ใส่ใส่รูจมูกเป็นสายเนี่ยอันเดียวกระปลาถูกเบ็ดก็เบ็ดถูกปลาปลาถูกเบ็ด นั่นผลของกรรมมีอยู่เหมือนกันเห็นในปัจจุบันในชาติสิ่งไหนที่เราทําดีก็เห็นปัจจุบันในชาติเหมือนกันสิ่งไหนที่เราทําชั่วเขาเห็นในปัจจุบันในชาติเหมือนกันถ้าเราอายุยืนถึงขนาดนี้จึงเห็นนะถ้าตายไปก่อนแล้วก็ไม่เห็นละถ้าเราถ้าเราให้คะแนนแต่ว่าเราดีตะพื้นตะคือมันก็ไม่มองเห็นเนอะ เออกูได้รับผลอันนี้มาในเพราะเหตุอะไรหนอคิดดูมันมีเหมือนกันนะนะหลังเฮหลังเกิดคันอยู่หลังเอะไรมาใส่ก็ไม่หายอเพราะเคยได้เกาะปลาเกาะปลาเกาะล้างปลาทํ า, าลูกเหยื่อกเพราะเอาปลาตัวโตๆมากันมันก็วิ่งไตาม แต่อยู่ในคารวะนี่มาคันหลังอยู่นี่นั่นเห็นผลของกรรมเห็นเลยพ่อไอแม่เอ๋ยเคยไปเวิย์ปลาทีออกโรงเรียนแล้ววันพระมไม่เดีไปโรงเรียนทำไมนั้นนําที่ไหนก็แห้งบางทีมาอยู่นี่ก็อดน้ำสิบสองปีนั่นนั่นั่นนั่นจึงได้น้ามมานํามานะอหน้านี้ต่อมาแต่ผู้ยังเดี่ยวเนอ้อ สี่กิโลเนืต่อหน้านผู้พิบ่านี่ยไ่มีน้ามเนื้อ น, น, นั่นมุพกรรมของใครของมันสร้างไว้กรรมใดใครขอก็เราเป็นผู้ก่อขึ้นกราดีก็เราเป็นผู้ก่อขึ้นกรรมชั่วก็เราเป็นผู้ก่อขึ้นต่อไปนี้เขาให้พรซะเบื่อแล้วยถาวันวิหามุราปฏิปันติสาขลังโยมโยโยตุทิน เปตาังอุปภติอิจิตังมิตังตุหังิปเมวะสตสเพเรนตุสังคปายันโทนรโสยทามณีโชตรโสยทาสพีตโยยวันสตุโกสโยโกวิัสมาเตภวัตตนรายโสิทธิคายโยกภวอภิวานสีนิสนิจังมุทาิชายโนจตารุธรมาทันติอายุวโนสุขังลังสุทาเวะสมานุภเวะสสังาุภเวะุตรตังธมตังสังตังตินังัตนัง โนภาเวนะจตุราีติสารธรรมะตัณฐาโนภาเวนะวิตกัตยานุภาเวนะคินิสาการโภาเวนะสเปเตโรคาสเปเตียาสเปเตอันตรายาสเปเตอปตวะสเปเตทุนเนมิตาสเปเตมังครวินัสสันตุอายุตตะโกธนวัตตโกอายุตโกตกาธนวัตตโกตกาชีวะตะโกตกายะสวะตะโกตกภะวะตะโกตกาวันนาตะโกตกาตุกะตะโกตกาโมตุสปทาตุกะโรขยาเวราโสกาสาธุจุปตวานกาอันตรายาภิวินัสตุชาตชาสาชีสิทธิทัังลาพังโส ท่พักยังสุรังพังสรีอายุจวัณโนเจ้าโพคังมุติชยศวัตวัาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตสัพพมังคารนัสัพพเทวตาสัุทธานุภาเวนัสตาโสธีพวันตุเตภวัตสัพพังคารนััสัพพเทวตาสัพัฒมานุภาเวนัสตาโสธีพวันตุเตภวัตสัพพังคารักัสัพพเทวตาสัสรังคาณภาเวนัสตาโสธีพวันตุเตยู่ทุวัพไมระมาณนักันโตสัพพุทว่า แม่ก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อแลแ้วไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทุกต่างใจโลกาอย่าได้มาเกิดแก่เก็บตายในสัพพโลกทั้งปวงนี้อีกเลยนิพพานางังพรมังสุ ข, ขังอัลอะที่นี่อนเอาท่าหนังสือเอาไว้และวเทศอยู่นี่พูดอยู่นี่วุ่นวายอยู่นี่สองชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยถูกไหม อยู่ที่นี่นะมีข้าวสารอยู่นี่เอ อ, อชินอ้นแปดเลยเออนีมากชิ้นแปดเป็นชิ้นของพระอนาคามีถ้าไม่ทาให้ด่างให้พร้อยถ้าไม่เสียดายอยากลองละเมิดชิ้นแปดเรียกว่าศิ้นของพระอนาคามีถ้าเสียดายอยากลองละเมิดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่เสียดายอยากลองละเมิดเสียเลยเรียกว่าชิ้นแปดชิ้นของพระอนาคามี ถ้าใครอยากจะทราบว่าถึงพระอนาคามีถ้ายุงมากัดไม่นึกอยากฆ่ามันไม่นึกอยากฆ่ามันเลยไม่มีเงินอิฐเลยนั่นแหละพระอนาคามีพระอนาคามีไม่มีเงินอิฐและไม่มีกามอารมณ์ด้วยพระอนาคามีไม่ได้เสพเมถุนพระโชติวันเสพเมถุนอยู่ แต่ยินดีในภรรยาและสามีของตนพระโสุวรรณแต่ไม่เสียเมตุนกับท่านผู้อื่นพระอนาคามีไม่เลยไม่เสียเมยถุนกับใครเลยนัและไม่มีโกรธเลยโกรธไม่มีแต่หลงมีอยู่ห ล, ลงไม่อยู่อันละเอียดพระอนาคามีไม่ใช่ใดยอยากเมตอยากร่วงเมตุนเลยพระอนาคามีมีผัวเขมี่ก็นอนเป็นคู่กันอยู่เฉย ไม่ได้ไม่ได้ว่วงละเมิดกันเลยนั่นนั่นหลักพระนาคานีงเพราะมันไม่นึกมันเหมือนขี้ดินนอนอยู่ด้วยกันนั่นนั่นหลักพระนาคานีงส่วนพระรามได้มึงแล้วล่ะพระรามเนี่ยไม่ยินดีอะไรตกพวงเลยไม่ทําการตัวอยู่ในที่ตะพวงเลยพระราม ไม่สำคัญตัวอยู่ในปัจจุบันอดีตอนาคตใดๆเลยไม่สําคัญตัวเป็นผู้อย่างนั้นอย่างนี้เลยเห็นเป็นทาถี่ดินน้ําไฟลมล้อนร้อนรู้สมมุติตามใบจริงของสมมุติรู้มิมุติตามใบจริงของมิมุติรู้พระนิพานตามปใบจริงของพระเนรพนแต่ไม่สําคัญตัวอยู่ในพระนิพานและไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยนั่นภูมิพรทหารเห็นแต่สังขารและกองทุกเท่านั้นพระนิพานตามใบจริงของพระนิพาน สมมติต่อเป็นเกี่ยงอสมมติไม่สําคัญตัวอยู่ในพระนิพานด้วยไม่สําคัญตัวอยู่ในสมมติด้วยและวิมุตติด้วยไม่สําคัญตัวในที่ใดๆทั้งปวงเพราะพระาหันเหตุฉะนั้นจิตใจของท่านจึงไม่มีโทษอละไปทีนี้พูดําชั้นสูงชั้นถ่ายงับๆๆเลยถ้าเป็นข้างพุทธการเขาเอานายเตี้ยไม่ยิงขี้แพะเข้าปากกืนกินเลยล่ะ เอาพระพุทธธรรมขึ้นขี่รถด้วยเรียกว่าภาวนาถ้าไม่เอาพระพุทธธรรมประสงค์ไปด้วยก็ไม่ดีเอาไปที่ดวงใจของเราเป็ภาวนาไปเอารักเอ า, างานางไหนไม่มีก็เอาพระองค์ไหนไม่มีก็เอา กติดออมาไหมไปด้วยบุญมาด้วยบุญเรียกว่าสุขะโตไปด้วยบุญมาด้วยบุญเรียกว่าสุขะโตสุขะบุญไปทาบาปมาทำบาปก็เรียกว่าทุกขบาปอูที่ใจทำบาปแล้วก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจทำบุญแล้วก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทำไมจึงเหยียดอย่างนี้เพราะถือว่าเป็นลูกห ล, กกนลานเขาเหยียดสิ ปฏิบัติเพื่อเพื่อพนทุกปัญหาไม่มากพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพ่อครบรับให้ใจเข้าออกเลยเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นบางท่านก็บอกว่าดิฉันทําจิตไม่ว่างเออถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็าไม่ว่างสิถ้าไม่สําคัญว่าจิตเป็นต น, ตนเป็นจิตมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพร่อครบรับให้ใจเข้าออกแล้วมันก็หมดเรื่องกันเราพูดอย่างนี้เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็น วิญญาณปฏิสันที่มันก็ดับณที่นั่นเองไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยอวิชชาตัณหาอุปทานมก็แตกก็เจิงไปในที่นั่นเองนั่นถ้าสําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆอวิชชาตัณหามันก็มาอยู่ในที่นั้นสาคัญตัวอย่างนั้นอย่างนี้ความสําคัญตัวไม่มีในที่ใดใดผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้ว ความสําคัญตัวไม่มีในที่ใดของผู้นั้นผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วจิตของผู้ใดไม่กลัวแพ้กลัวชนะกลัวแพ้ก็ไม่กลัวกลัวชนะก็ไม่กลัวเพราะจิตไม่มีเวรนีิพัยแล้วท่านผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วจิตผู้ใดปฏิจจาราคะโทสะไปแล้วโมหะไปแล้วการรักษาจิตไม่มีในผู้ใดผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้ว ไม่สําคัญตัวในที่อดีตอนาคตปัจจุบันใดๆเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเป็นแต่สักว่ากายเป็นแต่สักว่าเวทนาจิตธรรมเท่านั้นเป็นแต่สักว่าดินน้าไฟลมไม่ใช่ใครไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่สักว่าสังขารและวิสังขารเป็นแต่สักว่าสังขารจะกวงครุปไม่มีของท่านผู้ใดเลยเพราะนั้นก็ข้ามทะเลหลงไปเลยเนี่ยคิดขังประจักษามิ่ง อย่าวลาอย่าจากพระพุทธาทรมประสงค์เนอะพระพุทธธทรมประสงค์ไม่องลาไม่องลาพระพุทธธรรมประสงค์แล้วจะเป็นนไส เป็นเนนิสัยปฏจโยจะเป็นนิสัยประทางดีหลวงปู่ผ่านทุกมาอะโกอ่กอะปามรบในเรื่องทุกของหลวงปู่ไม่ลงกันง่ายงายไม่เท่าเราไม่เท่าเราเราทุกกว่านั้นมันตอบมันเถียงอยู่ทุกเรื่องทุกของหลวงปู่ก็ต้องเถียงในใจล่ะเพราะหลวงปู่เคยผ่านทุกมา อ๋ออมันหิวน้ามัมนหิวน้ำก็ให้มันกินมันหิวนอนก็นอนให้มันมันหิวอาหารก็ทานให้มันถึงอย่างนั้นมันมาอยู่ด้วยกับพญาจิตราชพษรากายสังขารเปรียบเหมือนเด็ก รบกวนดูเดี๋ยวหิ้วหน้ามเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้จ้างให้มันอยู่ด้วยมันก็ไม่อยู่ทั้งอย่างนั้นมันก็แก่เก็บตายไปก็มีแต่พยาคิดตลาดเป็นบ้าอยู่คนเดียวหิ้วนอนก็นอนให้หิ้วหน้นามก็ดื่มให้หิ้วอาหารก็ให้ทานถึงอย่างนั้นร่นางกายก็ไม่อยู่ด้วยจ้างมันอยู่ด้วยหายใจเข้าออกเยกว่าจ้างมันอยู่ เปลี่ยนอิเดียบทของกองทุกเปลี่ยนอิียบทตายคืออะไรคือให้ใจเข้าออกจก่งว่ามันจะตายหายเข้าแล้วไม่ออกมันก็บอกว่าตายหายออกว่าไม่เข้ามึงก็เล่าว่าตายอานอนท์พิจารณาความตายวันหนึ่งกี่ครั้างก็ร้อยครั้งพระเจ้าค้าเออเธอยังประมาทอยู่นะพรอมลมให้ใจเข้าออกจก่งดีนะอานอนท์เดี๋ยวพวกเราถ้าภาวนาก็เก่งว่าเป็นมงคลอันไม่ดี ผู้พิจารณาความตายอยู่บ่อยๆผู้นั้นจะไม่หลงตายถึงความความความตายมาถึงแล้วผู้นั้นจะไม่กระทบกระเทือนผู้นั้นจะมีสติตายไม่หลงตายไปเขียมตัวโอ้ดูมน้าผมสัลูกหลานอย่าไปสงสัยพระพุทธศาสนาเลยว่าเมื่อไม่สงสัยพระพุทธธรรมประสงค์ะมันก็ปฏิบัติสบายดี พูดโทรําเดียวก็เป็นมงคลถ้าสงสัยแล้วมันก็ไม่มีค่าทำไมยังไม่สงสัยพระได้มองเห็นคำสอนแล้วว่าลึกต่างกันว่ามีเหตุผลลึกซึ้งต่างกันว่ า, าั้ะจึงไม่สงสัย เพราะพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตัวเราจะไปสงสัยทําไมแม่ได้บอกว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ดินฟ้าอากาศบาปเขียนตัวบอตัวปอสะกดไว้ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นหนก็อยู่ที่ใจของเราบุญเขียนตัวบอรสรุปยาผู้หญิงก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวบอรสรุปก็อยู่ที่หัวใจเราเราจะไปสงสัยทําไมศาสนาก็เป็นเราเป็นผู้เขียน เราเป็นผู้เขียนก็อยู่กับเราเส้ถ้าเราถื อ, อนั่นเขาบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไล่ลผีให้ด้วยไล่ผีก็ต้องไล่ออกจากไกลผีไม่มีแกผู้ไม่ถือบาปไม่มีแกผู้ไม่ทำหัวเมียไม่มีแกผู้ยอมเป็นโสดแล้วก็พูดอย่างนี้ไล่ผีให้ด้วยหลวงปู่หลวงพ่อผีก็ไล่ออกจากไกลทีถ้าใจไม่ถือผีก็ไม่มา สี่ไม่มีแก่พูดไม่ถือบาปไม่มีแก่พูดมาทำพวกรยาไม่มีแกผู้ยอมเป็นโสดอันเดียวกันถ้าพุทธศาสนาเรามีนิดเดียวอันนั้นโวหารหอกอันที่พูดอยู 45, ่สี้นห้าภาษานี่ยพริม้มไปร้อยเล่มหรือห้าชิ้นเล่มหรือสี่ชิ้เล่มอันนั้นโวหาระได้หารลงมาหายใจนี่ดีขวเข้อหาลงมานี่ผู้นี้เป็นผู้ทํานะ ก็ว่าโหานก็บอกเลยนบอกว่าหานลงใครจะพูดน้ำไหลไฟดับกระตานก็ต้องหานลงมาหาใจใครจะทำเด่ชํำชั่วมากสักเพีาายงไหนก็าตามมันก็มากออกไปจากใจย่นลงก็ย่น ล, ล, ลงหายใจไปกาพะเทนปุ๋ยเป็นโรค หนึ่งโรคหัวใจแล้วก็โรคไส้เลือดแล้วก็โรคทูงนําดีเป็นนิ้วแล้วก็โรคภูมิแพ้แล้วก็โรคลู ก, ล ก, ลกมาโตปัสสะไม่ค่อยออกมีหลายโรคโรคชร า, าเป็นหัวจักขอเ ข, เขาบอกว่ า, วาข้อไปด้วยข้อไปด้วยเข้ขขขอก็ไปเข้อก็ไปเขาหลอกฉลาเวลาของหลวงปู่ไม่มีแล้วเนี่ยอยู่เดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดมันฟืนมัน สิ่งที่มันไม่ฝืนก็คือเส้นลมปาลาณมันไม่ฝือนปล่อยให้มันกระลิบเลยมันมีหน้าที่เดียวแล้วปู่ทุกวันนี้เตรียมตัวตายเตรียมตัวตายก็คือเตรียมภาวนาทีไม่มีหน้าที่หมดเวลาแล้วแปดสิบสามย่างแล้วพระบรมศาสดาก็แปดสิบเท่านั้นอ๋อแปดสิบสามย่าง หมดเวลาแล้วลูกลูกหลานยังมีเวลาอยู่เราปู่หมดเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นพระอาทิตย์ก็ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นกางเกงก็ขาดนี่ขาดขาเนี่ขาดเขานี่ขาดแขนขาดไหล่เนี่ยขาดก้นอีกถ้าเป็นกางเกงถ้าเป็นแฉลมก็ขาดหูขาดที่งวงเหี้ยมแล้วขาดก้นอีก ถ้าเป็นเกวียนก็มีแต่ตอกชนะมัดนะเนี่ยจะบอกคนไปโตเพาเศร้าออกมันกับเไปแหละที่เผาร้องปู่มาำทำอะไรก็ลงมาทำอะไรให้ยุ่งเลยไม่ต้องติดกระดาษเลยไม่จำเป็นถ้าเขาไม่ต้องเอามาติด ผู้ที่สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วก็ต้องจําเป็นต้องไปทางรัฐเช่นพระพาหิยะพระบรมร่องเรียนพระบรมศาสนาว่าอย่าก็ให้พระองค์เทศให้ฟังเออเราก็กําลังบินทบาทอยู่ไม่สมธานะที่เราจะเทศบางทีท่านพระบรมศาสนาจะสิ้นลมปานบางทีก้าผมก็จะสิ้นลมปานเหมือนกันเพราะอายุ มีน้อยต่างคนก็ต่างไม่รู้จักวันตายแต่พระบรมศาสดาคงจะรู้จักปันตายวันสิ้นลกบาลเออถ้าอย่างนั้นก็เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเออครับครับพอแลว้วเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าด้านสมาธิท่านฝึกปือมานานแลว้วตั้งแต่ข้างพระเจ้าคัตบะกำลัง ขัางผักบันไดนะคุณมหาคงเข้าใจดีแต่พวกเราชอบไปทางรัฐมันก็ไม่ยากผู้ไปทางรัฐนะพิจารณาให้เห็นไตรรักเลยพร้อมกำลมหายใจเข้าออกหายใจข้อข้างหนึ่งเห็นทั้งอนิจังทุกขังอาัตตา รลมกลืนกันอยู่ด้วยมีทั้งกว่าความเกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายมีทั้งทุกข์สัมพยุตย์อยู่ด้วยมีทั้งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลสัมพยุตย์อยู่ด้วยเนี่กหละสัมพยพต์ปัจจัยกันอยู่ที่แห่งเดียวสังขโหลงมาที่นั่นสังเคราะลงมาที่นั่นเพราะได้ได้ในโลกล้วนอันนิจจ์ได้ไ ใ, ใ, ใ, ในโลกล้วนทุกขังได้ไ ใ, ใ, ในโลกล้วนอนัตตา ไม่ต้องสงสัยดอกนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทั้งยาทั้งละเอียดด้วยสังขารโรกโรกคือสังขารสังโรคโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโรคโรคคือแผ่นดินมนุษย์โลกแด้แก่โลคที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโรคแด้แก่จะกามาภิจระหกชั้นพระมรโลคได้แก่รูปพระภมที่หกชั้นและรูปประภมสี่ชั้นโรคทั้งหลายนี่รวมลงมาในสังขารโลคแล้วสังขารราปรามาทุกขา สังขารเป็นทุกอย่างยิ่งมีอย่างยิ่งเพิ่มท้ายไม่มีสารอุทธรเลยริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งก็คือฝ่ายสังขารธาตุสังขารธรรมสังขา ร, รขาโลกก็มีความหมายอันเดียวกันสังขารโลกสังขารนามก็มีความหมายอันเดียวกันทีนี้ เมื่อโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วไม่มีสาสรอุทธรจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับท่านพระลูกไม่ขึ้นอยู่กับท่านพระแม่รู้เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นอยู่กับท่านพระเชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อเมื่อเป็นจริงอยู่อย่างนี้แล้วปัญหาทั้งหลายก็หมดแล้วปัญหาของเราที่จะเพิ่มสมุทัยและตัณหาอุปาทานก็นีรู้ชัดในตอนนี้ก็ กามุปาทานทิฏฐปาทานศีละพตุปาทา น, าทานอัตวาทุปาทานก็แตกกระเจิงเว้นไม่แต่ไม่รู้ชัดถ้าไม่รู้ชัดตัดต้องรู้ชัดตัดความสงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนั่นคือศีลวิสุทธิคือสมาสิวิสุทธิคือปัญญาวิสุทธิกลมกืนกันเป็นไตรสิขาอยู่ในคณะเดียวนั่นแหละถึงใจไหมพูดอย่างนี้ หรือหมายถึงุมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่สกลกายและสกลจิตของเรานี่เองกรรมฐานในพระพุทธศาสนาก็มีสองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปกรรมฐานคือรูปธาตุรูปธรรมรูปขัรปนรูปโลกก็ว่ารูปสังขารก็ว่าเพ่งนามเป็น อารมณ์ ก, ก็อยากนามากรรมฐานนามาโลกนามาทำนามาสังขารมีความหมายอันเดียวกันมีหลายชื่อเฉยอืๆก็ไม่ต้องสงสัยเลยสนี่เมื่อไม่สงสัยก็ได้ดวงตาเห็นทำแปลกกระเจิงแลว้วนั่นนั่นสักยัติทธิความเห็นเป็นเหตุที่ตนที่ตัวก็ไม่มีสซะเลยนี่ความรังเลยในย ส, สงสัยในย ปฏิปทาก็ไม่มีความโลกคลัก็ไม่มีมมก็ตั้งใจพิจารณาเท่านั้นเพราะในใจโลกธาตุมันมีแต่สังขารและกองทุกเสียแล้วเมื่อเบื่อหน่ายสังขารแล้วก็พ้นจากความหลงของตนก็ข้ามทะเลหลงของตนไปนะนั่นวิชาตัญหาอุปทานก็แตกกระจึงวิญญาณรูปอายสนะภัสสาวเวชนาตัญหาอุปทานพบชาติ ชรามนัสวสกปฏิเทวทุกขทษโฮมนัสอุปายาก็ไม่ต้องเรียงแบบที่พระบรมาศาสาเรียงงแบบก็เพราะเรียงให้สมภูมิอันนี้เราไม่เรียงก็ไม่เป็นปัญหามันแตกกระเจิงไปแล้วคือปฏิกรสเมื่อวามันก็เป็นบ่วงข้องคอเราอยู่นี่ตัดขาดที่ไหนก็ไปได้ได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องเรียงต้องตัดทุกหลอกเลยเข้าใจไหมทีนี่เอา้าเข้าใจนะ เราไม่สันโดษในกรรมฐานเข้าใจว่ากรรมฐานแต่ละบทละบาทเป็นค น, นอุบายอาจจะแทะอุบายเดียวกันเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงเพื่อให้ปฏิบัติตามเป็นจริงเพื่อให้รู้พ้นตามเป็นจริงในปัจจุบันเท่านั้นไม่มีอะไอื่นเลยเข้าใจนะแปดหมืน่นสีพระธรรมขันธ์เป็นสังฆท า, านศีลภาวนา ภาคพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภาคไหนก็ภาคเดียวกันถ้าย่นลงมาในทางธรรมะภาคพระพุทธภาคพระธรรมภาคพระสงฆ์ภาคศีลสมาธิปัญญาภาคเกิดภาคแก่ภาคเก็บภาคตายภาคปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏจักรสงสารมีความหมายเดียวกันพวกนี้เป็นพวกนั้นใช่ไหมนี่สามสี่คนหรือไม่ใช่ เจ๊นี่ดื่มหน้ามัช่เออผูโทรสมมติกโกรผู้โทรสมมติกโกรผู้โรสมมติกโกรโทรสมมติกโกรถ้าสมมติเราเพียงไฟก็ไฟไฟไฟไฟไฟนึกในใจอยู่จนลื่ไม่กระดุกจับตามองที่ไฟรับตาเข้าก็เห็นแสงไฟอยู่ลืมตาออกก็เห็นแสงไฟจําไว้สัญญาคือความจําแสงไวถ้าเพ่งดินก็ให้จําดิน บริกรรมมาดินดินดินดินดินบริกรรมมาไฟไฟไฟจนไม่กระดุกเรียนไฟไฟกิจดอยู่ที่ไฟลืมตาขึ้นก็ายเห็นรับตาเข้ากายปรากฏเห็นอยู่แล้วขยายเป็นใหญ่บ้าขยายเป็นเล็กบ้าแล้วขับวัตถิภาครายมิตรเพ่งดินกรรมงานการดินดินดินดิน ให้จิตจับอยู่รับตาไปก็เห็นลืมตาก็เห็นขยายออกเป็นใหญ่เป็นเล็กเรียกพระเทีพาคันอย่างงี้เพ่งน้ําก็เหมือนกันก็ไม่ได้กลาว่าน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำลมก็เหมือนกันบ่ได้กลาว่าลมลมลมมให้จิตจับอยู่ที่ลมให้จิตจับอยู่ที่น้ําให้จิตจับอยู่ที่ดินแต่อย่างละอย่าง เรียกว่าปฐวีกสินเพ่งดินเป็นอารมณ์อาโปกสินเพ่งน้ำเป็นอารมณ์วายโอกสินเพง่เพลงลมเป็นอารมณ์เตโชกสินเพ่งไฟเป็นอารมณ์เพ่งเข่งทำไมเพื่อจะหัดให้จิตอยู่เฉยเฉยไม่ให้จิตวกแวกไปทางอื่นใ่ายกับเราพักเที่ยงทํางานแล้วก็พักเที่ยงถ้าไห้พักก็ไม่ได้กําลัง คล้ายกับเราเดินทางถ้ามัวแต่เดินไม่พักก็ไม่ได้กำลังถ้ามัวแต่พักก็ไม่ได้ลวนทางเหมือนกันเ <c oughs> ขาเดินเรือในท่อมหาส ม, มุทรก็เหมือนกันถ้ามัวแต่ทอดสมอมันก็ไม่ถึงฝั่งถ้าไม่ทอดสมอเดือก็จะเดินผิดท่าเพราะลมพัดมาคลื่นจักคลื่นจัด ก็ต้องถอดสมองชั้นใดก็ดีอารมณ์มีมากเดี๋ยวก็คิดนั้นเดี๋ยวก็คิดนันนี้เบื่อแล้วก็หยุดพักยูอารมณ์อันเดียวแล้วก็ทอดพิษสาวกทั้งสี่หรือไม่สุบาสดาบานสกาคามีนาคามียาหันยาเลยยาเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรศาสนาอื่นไม่มีสุปัจจันโนไม่มีอุชุไม่มียายะ เพราะเหตุว่าศาสนาอื่นหนักไปในทางวัตถุนิยมแม้ตัวเจ้าศาสนาของเขาก็เป็นพุทธชนคนหนาเราดีๆนี่เองจะได้สุปปฏิปันโนมาจากประตูใดได้เราไม่พูดข้ามตัวเราพูดข้ า, ขาขมธรรมเพราะอาจารย์เบื้องต้นของเราเราก็นับเอาแต่สุปปฏิปันโนเป็นต้นไปต่ำกว่านั่นลงมาเป็นนาโมเบกเรกะนะโมผานาโมวัตนาะโมเบอไม่เหมือนนาะโมพโระสุรบาลใช่ไหม น, นโมพระสว์ดาวันเป็น น, นโมที่ไม่หลงทางไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดสินห้าไม่ใช่ได้อยากล่วงอบายยมุขไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสดาอื่นไม่ใช่ได้อยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมานุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเนื่อสัตว์ที่ตัวข้าไปเป็นอาหารค้าขายน้ำมาค้าขายยาปิดการค้าขายห้าอย่างนี้ พระโสดาบันไม่เสียดายอยากประกอบเลยสมบัติของพระโสดาบันประกอบด้วยศรัทธาเมศต谛บนที่สุดคือสิ่ห้าไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมองคนไม่แสวงหาเกิบุญนอกพุทธศาสนาบาเพนนินแต่ในพุทธศาสนาพระโสดาบันต้องตั้งในสมบัติธ่ระการในเวบนจากวิบัติธ่ระการซึ่งตรงกันข้ามนะมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วคำสอ น, นใดๆในใจโลกธาตุ เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่เชื่อเป็นธรรมจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจึงเรียกว่าอริยสัจจังจริงอยู่ไม่มีกลางวันคืนพระบรมศาสดาไม่เกิดมาไม่มีมาคํททาทั้งหลายก็มีอยู่ทุกยกุคทุกสมัยของโลกทุกการทุกเวลาของโลกพระพุทธเจ้าองค์ไห น, ไหนมาก็มาแสดงธรรมอันเดียวกันไม่ ตัดออกแลวเพิ่มเข้าเลยไม่เหมือนกฎหมา ย, มายกฎหมู่กฎพักกฎพวกของพวกเราจึงทรงพระนามว่าสัตธาเทวมนุษสานังเป็นผู้สอนของเทวดาทั้งหลายเต็มภูมิไม่ประมาะเลยพระบรมศาสตราทุกๆพระองค์ถูกไหมถูกภาวิาาตาพระหูลีกตาทำให้มากทำให้บ่อย ทำให้มากเจริญให้มากเจริญในจิตในใจให้มากด้วยความชำนานให้มากก็เราหลงโลกเราหลงอยู่ส uh okay. ี่ประการสิ่งที่ไม่เที่ยงเราหลงว่าเป็นของเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราหลงว่าเป็นของสุขคือหนังหุ Chuck ้มอยู่โดยรอบของไม่เที่ยงเราเข้าใจว่าเป็นของเที่ยงคือหนังหุมอยู่ใยรอบ ของไม่ใช่ตัวตนเรายืานยันล้วเป็นของตัวตนคือหนังหุ้มอยู่ล้รอบของที่ไม่สวยไม่งามเราเข้าใจว่าของสวยของงามคือหนังหุ้มอยู่ล้รอบถ้าเรารู้ชัดอันนี้แล้วเราก็ข้ามทะเลหลงไปซักที่นั้นเองทีนี้อดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่ยังเป็นอยู่ อดีตก็ดี อ, อนาคก็ดีปัจจุบันกดีถ้าไม่สำคัญตัวอยู่ในที่ใดทั้ทงสิ้นท่านผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วทางรัฐทำไมจึงพอใจในทางรัฐเพราะสร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาก็พอใจทางรัฐสินั่นท่านผู้ใดสร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาก็พอใจเดินทางรัฐท่านผู้ใดยังสร้างบา ร, รมีไ ม, ไม่ไม่แก่ข้ามาก็ไปทางโค้งเอ้า หาความสุขในใจโลกธาตุมีไหมมันไม่มีเสียเลยสุขของครหัข่ก็มีอยู่สี่อย่างเท่านั้นสุขเกิดแต่ความมทรัพ์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ทำงานที่ปฏิจจคตโทษสงเกขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสินทั้งอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอนนจังเกิดขึ้นแล้าก็แร ป, ลปล่วนและแส่กระายสุขใน พระพุทธศาสนาสุขถึงพระโสดาบันสุขถึงสักขาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระอรหันต์สุขก้าวหน้าแล้วไม่มากับเป็นทุกข์อีกเรียกว่าสุขบาลหน้าเหมือนดังจันในวันนันเหมือนดังพระจัน์ในวันข้างขึ้นแต่พอถึงวันเพลินแล้วไม่กลับมาแรมอีกเรียกว่าโลกุตระสุขโลกีสุขพระวรมศาสนาไม่รับรองพระสุขอิงอามิตร เดี๋ยวก็เป็นทุกข์แม่แรงวันติดไถ่ํำพึ่งท่านไม่รับรองพระบรมศาธราสุขไม่เองอาเมตท่านจึงรับรองในพระพุทธศาสนาสุขเองเหนีบธรรมะคืออิงออกจากกามอากากราคะโทสะโมหะถ้าเห็นว่าราคะโทสะโมหะเป็นของอร่อยอยู่มันก็เว้นไม่ได้ ถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นของอร่อยมันเป็นทุกข์จริงๆมันก็เว้นเองมันมันไม่เสียดายเลยเช่นพระส ว, วัสดิบาลไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่เสียดายอยากเล่นอบายมุขพราะเห็นว่ามันเป็นโทษจริงๆเห็นดิ่งลงไปแล้วถอนไม่ออกดิ่งไปในทางผิดก็ถอนไม่ออกดิ่งไปในทางถูกก็ถอนไม่ออกเป็นสันทิตที่โกในทางที่ชอบแล้ว สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเป็นสันทิฏฐิโกพระอสโสษฎาบันสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายเป็นของพระรหันต์พระรหันต์สัมมาทิฏฐิเห็นชอบแล้วพ้นจากขี้เด็โดยเส้นเชิงแล้วเรียกว่าเห็นชอบแล้วสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของพระรหันต์สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของพระโอดาวันสัมมาทิฏฐินอกนี้ไปพระบรมศาสดาไม่ทรงสเสนอเลยสันทิฏฐิโกเห็นเอง พวกที่เขาไปรักยกยกหอ่อเขาก็เห็นว่าเขาไปรักอยู่เขาขี้โกงเขาก็รู้ว่าเขาขี้โกงอยู่ก็เป็นสันทิติโกแต่พระบโรมาศาสด า, า, าไม่นับเข้าเพราะมันยุ่งเหยิงมากฟันเฟือมากสันทิติโกในทางพุทธศาสนาไม้เอาต่พระสสดิ์ไม้เอาแต่พระสวัดาบาลเป็นต้นไปจนถึงพระหรหันันั่นนั่น น, น, นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูด ทำทั้งหลายมีอยู่ทุกการทำไฟเกิดไฟรับก็มีอยู่ทุกการทำไฟไม่เกิดไม่รับก็มีอยู่ทุกการไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้ไม่เชื่อ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 เชื่อเทียบในทางหลือซึ่งเพื่อให้คาหนึ่งห ล, หลายหลายทางน้ําให้หน้องคลองบืองบางต่างๆไร ล, ลงสูตมหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไรลงสูตรคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่มีกัางวันกัางคืนนั่นเลยคาสอนในตจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดเพราะเป็นโลกีคําสอนไม่ใช่โลกุตรกรรมสอนวัตถุใดๆในตจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานหมด ทัพ ส, สมบัติใดๆในแต่โลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระเนพานหมดศาตนาใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาอยู่ในตัว mm. เช่นพระโมคคัลลาสารีบทเลื่อมทายความเลื่อมใสสวนชัยนาต บ, บุตรเสียก่อนเรีย ม, มาเลื่อมใสศาสนาพุทธจึงสําเร็จพระโสดาบันใช่ไหมท่านมหาให้ลึกเรื่องให้ถึงให้ดี ชาชาภิฐานานิภพโภกาตุงอิดำปีสั่งเครตระนังปณีตังเนเ ต, ตเนะสัจเกนะสุวัติโหตุพระโสดาบันไม่ยอมซื้อศา ธ, ธาอื่นเลยอภิษฐานโทษอย่างหนักหกมาทุค่าข้ามารดาพิรุค่าข้าบิดานะคะตาค่าข่าพระรหันโรลหิตวาต่ทาทํามราพระพุทธเจ้าทั้งอย่างประโลหิตให้ห้อขึ้นไปสังฆเพศยังสงให้แตกจากกันอัญชัต์ตุเทศถือศา ธ, ธาอื่น พระสวัสดิไม่ยอมถือศาสนาอื่นนั่นนั่นนั่นเหตุฉะนั้นศาสนาอื่นจึงไม่สามารถถึงโลกุตรธรรมพูดตามเป็นจริงของธรรมเมือ่อได้พูดเข้าข้างตัวเลยนั่นนั่นนั่นนั่นพูดตามธรรมมาที่ปัตย์คำสอนของพุทธศาสนาเป็นธรรมมาที่ปตัตยไม่ใช่อัตตาที่ปตยไม่ใช่โลกาที่ปตัตยเอา้าสมมุติท่านมหา ถ้ามีผู้ถือว่าไม่มีมีบุญมีบาศหมู่มากเขาลากไปหมดไต่โลกราตัคุณมหาจะไปด้วยไหมหลวงปู่ไม่ไปด้วยเนอให้คุณมหาไปซะนั่นหลวงปู่ไม่ยินดีด้วยไม่ไปด้วยยอมตายไม่เช่ได้แก่ชีวาเพื่อรักษาอิสระขณะพระพุทธศาสนานั่นเหตุนั่นท ร, รมาที่ปไตยจึงเป็นปบครองโลก ไม่ใช่อัตตาเทีปะไตไม่ไม่ใช่ประชาธิเที่ยปไตประชาธิปไตยกับโลกาธิปไตสมพ่อกันเข้าได้ส่วนธรรมมาเทีปไตยเป็นดิง่งไม่เข้าข้างใครเลยการตั้งกฎหมายกฎหมู่โคตรพักโคพวกไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดนั่นนั่นนั่นนั่นมันมีคอรับชั่นรับเช่ออยู่นั่น ทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างอยู่แล้วความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มายืนยันคนํานี้นั่นนั่นนั่นัน่ น, น, นถ้าไมละอายต่อบาปไม่มกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายจะตั้งขึ้นเท่าใดมันก็สําหรับหลวงคนงโง่เท่านั้นอีพ่ออีเม่เอ๋ยนั่นนั่นนนนั่ น, น, น, น, น, น, นถูกไหมท่านมหาเหตุนั้นจึงว่าคําสอนพระพุทธศาสนา สอนโลกพออยู่แล้วสอนครบหมดนล้ไม่มีที่แซงเลยจึงยืนยันว่าสัทธังสัพยัญชนะเกวราปาริพุนนาบริสุทธังพเมจารยปกาเสสิบริบูรณ์แล้วทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะอยู่ทุกยุคทุกมสมัยบริบูรณ์ในเบื้องต้นคือทานศีลภาวนาเป็นสุดท้ายบริบูรณ์ในเบื้องต้นคือศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ในเบื้องต้นคือพระสวสดาบันตลอดถึงพระรหันต์มีความหมายอันเดียวกัน จะพูดพุคราทิศฐานก็ได้จะพูดธรรมาทิศฐานก็ได้นั่นก็ไม่แย่งกันเราหน้าหัวระหน้าหัวละและหน้าสงสารผู้มีอัตวาทุปาทานทำตนให้ฉลาดกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเอาพระสมม า, าพระพุทธเจ้าไปขึ้นเสเตจชกมวยกับศาสนาอื่นๆมันไม่รู้จักทางชิบหายเอาพระโคโรไปขึ้นเสเตจชกมวยกับพระเยซูบ้างกับอันนั้นบ้างอันนี้บ้างจะชกหรือไม่โชกพระบรมศาสด า, าก็เหนืออยู่แล้วฟ้ามดไตโลกธาตุจะมาทําลายพุทธศาสนาก็เท่ากับว่าเบื่อนำลายขึ้นฟ้ากองทัพนาลายขึ้นฟ้าตกเสนาของตนเอง ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีหลวงปู่ก็ไม่นับถือศาสนาพุทธกรรมและผลของกรรมมีอยู่ทุกทุกอิริยาบถของจิตใจของสัตว์ทั้งหลายกรรมใดใครก่ก็คือพระผู้เป็นเจ้าแต่ละท่านและคนนั่นเองก่อขึ้นนั่นพระบรมศาสนาป่ารกไม่นี้หลักเลย ถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนจะถาคตก็ไม่สามารถจะรู้ทำได้ทามีอยู่ก่อนจะ ถ, ถาคตจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพรมสัตถธรรมโมคโรกาตับโบถ้าพระถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถเคารพทำพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็เหมือนกันนั่นเองนั่นนันนั่นไม่เหมือนกฎหมยกดหมูกดผักข ด, ดพวกของเราตั้งขึ้นทุกยุคทุ ก, ทกสมัยไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาตั้ง เดี๋ยวก็ยุบทิ้งเดี๋ยวก็ยีทีกทิ้งพระบรมศาสดาพูดคำเดียวตรงกันเพลงเลยมาทุกยุคทุกสมัยสอนโลกสอนอย่างนั้นที่ห้ามไม่ให้พระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนเีตัวไหนเอ้เ อ, เอ้นั่นนั่นนั่นนั่นถูกไหมท้ามหา <c oughs>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 อนุเคราะห์ด้วยนําใจอันงามจีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้า ท, ทําที่สิ่งที่สางฟังแล้วให้แก้มฮกบอกทางสวรรค์ให้นั่นนั่นนั่นพระพุทธเจ้าสอนแล้วทุกๆกพระองค์ก็มาสอนอย่างนี้ที่นี่มีน้าส้ำพระไตรปิฎกก็มีอยู่พวกเราเรียนมาก็นอนเฝ้าอยู่วิญ ย, ยาวิจกรสองคำพวก จำพวกหนึ่งทําตัวเป็นนายพระนายเนนจําพวกหนึ่งทําตัวเป็นลูกศิษย์พระศิษย์เนรจาพวกที่ทําตัวเป็นนายพระนายเนนนั่นเองจะไปนรกจําพวกที่ทําตัวเป็นลูกศิษย์พระศิษย์เนรนั่นเองจะไปสวรรค์มีในพระไยไปดกอะไรที่เนือยปีนมุธุกันเอามาเขียนไว้ปีนมุธุกันเป็นมุธุกันเอามาเขียนไว้เอาออกข้ใจไป จากพระไตไปดอกมาเขียนไว้ปิมุทุกันในสมัย2500กว่ามันเราจำได้อยู่เออแปลกเหมือนกัน น, นี่แปลกเหมือนกันแล้วถึงใจเลยพูดแล้วก็ถึงใจเลย